บทที่64 14.00 นตรงระหว่างที่คณะของเชิฐถาเดินไต่เรียบไปบนด่านช้างขนาดใหญ่บนสันเขาที่กั้นล้อมบริเวณหุบหมาหอนด้านใต้ดารินผู้มีอาการใจร้อนอยู่ตลอดเวลาบัตรนี้ออกนําเหมือนมะคุเทศไปเบื้องหน้าทิ้งระยะห่างจากพรรคพวกกล่าว20หลาโดยอาศัยสังเกตล่างของเจ้าด้วนที่เดินดุ่ม เป็นเรือนำร่องไปทุกระยะโดยครั้งนี้มันไม่ทิ้งห่างออกไปมากนะเพราะให้สังเกตได้ตลอดเวลาสุดแต่ว่าจะรับเนินสูงสูงต่ำต่ที่เป็นมุมบางตาอยู่บ้างบางครั้งบางคราวเท่านั้นจากสองภากที่เป็นป่าทึบขุนเขาเขียวทะมึนชั่วไม่นานนะกลอนผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าก็ไต่ขึ้นสู่เนินประมาณ45องศาจากระดับที่เทราดเป็นทางลงมา ฝั่งซีกซ้ายมือไม่ห่างไกลออกไปนะและเห็นผาใหญ่เป็นหินล้วนๆโพโ่ตะงานอยู่กลางหุบเห ว, วเวิงวางเป็นก้อนของภูเขาอันประกอบไปด้วยหินล้วนๆปราศจากพืชพันธุ์ใดๆขึ้นดูผิดประจักษ์เขาที่แวดล้อมต่ำลงไปกว่าทุกลูกหลอนหยุดพักเหนื่อยดื่มน้ำและรอคอยพักพวกหยุดตรงนั้นชั่วขณะวิทยุมือถือของทุกคนขณะนี้ทางานติดต่อกันได้แล้ว ภายหลังจากห่างหุบผาตะเคียนทองออกมาได้ประมาณห้าหกไม่ระยะเวลาระหว่างรอคอยพี่ๆและพวกลูกหาบอยู่นี้หล่อนใช้กล้องสองทางไกลปรับเบรนสำรวจไปยังป่าทึบเบื้องล่างอันเป็นบริเวณหุบหมาหอนซึ่งก็มองไม่เห็นอะไรได้มากไปกว่ายอดไม้เขียวมืดขึ้นบังตาเต็มไปหมดจึงเบนกล้องเปลี่ยนทิศทางไปยังหน้าผาใหญ่อันเป็นหินล้วนตัดชันนั้น จากเลนส์ขยายขนาดเจ็ดเท่าของกล้องเยอรมันชั้นดีหลอนเห็นฝูงเลียงผาฝูงหนึ่งประมาณเจ็ปตัวกำลังกระโดดตะกายขึ้นไปตามแก่งแง่โขดหินของภูเขาลูกนั้นลักษณะพยายามจะไต่สูงขึ้นเป็นลำดับอยากแตกอย่างแตกตื่นอะไรชนิดหนึ่งเจ้าแพะภูเขาซึ่งชำนาญในการไต่ที่สูงชันเหล่านั้นอยู่ในภาว ะ, ตะเตลิด กระโจนจากชางง่องอดนั้นขึ้นไปยังชงง่องอนนี้สลับเปลี่ยนกันไปมาดูวแบแวบสับสนไปหมดหล่อนใช้กล้องสํารวจอย่างพินิษเพราะไม่มีอะไรจะทํามากไปกว่านั้นระหว่างที่รอคอยพักพวกอยู่และขนาดนั่นเองอนุชาก็ตามมาทันเป็นคนแรกเห็นอาการของน้องสาวกําลังสองกล้องสนใจอะไรอยู่ก็ถามมีอะไรหรือน้อยเลี้ยงผาข่ามันกําลังกระโจนอยู่บนหน้าผาชันนั้นเหมือนจะหนีอะไรสักอย่างคงไม่ใช่แตกตื่นพวกเรานะ เพราะมันคนละลูกเขาแล้วก็ห่างันตั้งหกเจ็ดร้อยหลาแบบนี้อนุชาว่าโยกกล้องส่องทางไกลของตนขึ้นมาส่องดูบ้างและอุท่าหลอกเบาๆเสือดาวมันกําลังปีนแง่หินอันสูงชันพวกนั้นไล่หลังเจ้าพวกเลียงผาขึ้นมาดารินเบนกล้องลงในแนวต่ำเล็กน้อยแล้วก็เห็นตามที่พี่ชายบอกทันทีนอกจากเงาของเลียงผาที่เพนตะกายหินอันล่อแหลมเหล่านั้นขึ้นไปก่อนแล้ว ต่ำลงไปเล็กน้อยมองในกล้องระยะไกลรีบๆเช่นนั้นแสงตะวันบ่ายที่สาดจ้าเข้าไปโดยตรงยังบริเวณนั้นทำให้มองเห็นพื้นเหลืองลายจุดดำของเสือดาวชัดตัวหนึ่งซึ่งสีกลืนกับก้อนหินจะอีก ขณะนี้มันกาลังตะ ก, กายเกาะแง่หินตาตามหลังขึ้นไปทิ้งระยะห่างจากกลุ่มเลียงผาที่เพนสูงขึ้นเหนือมันไม่มากนะสองพี่น้องต่างสองกล้องดูภาพการตามไล่ล่าของชีวิตปกติธรรมจธรรมดาของสัตว์ป่ายอย่างไม่สู้จะสนใจอะไรนะเป็นการฆ่าเวลารอพักพวกเสียมากกว่าแล้วบัตรนั่นเองดารินก็อุทานแล้เรามาคำหนึงเบาๆ เ, เจ้าเสือดาวผู้แกล่งกล้าวและคงกระหายเหยื่อจัด ตัดสินใจกระโจนจากชง้อนหินแคบๆที่มันไม่หยุดพักตัวอยู่เพื่อจะขึ้นไปยังโขดหินตอนบนอันล่อแหลมหมายตัดทางไล่เลียงผาให้กระชั้นชิดเข้าไปอีกมันจะตัดสินใจผิดหรือย่างไรไม่ทราบได้ตำแหน่งเหนือศีรษะสูงขึ้นไปที่มันกระโจนขึ้ น, นเกาะนั้นห่างพ้นระยะที่มันจะโดดขึ้นไปเหยียบยืนได้ทั้งสี่ขาจึงกลายเป็นว่ากรงเล็บเท้าหน้าของมันเกาะติดเฉพาะแง่หินแคบๆไว้ได้เท่านั้นตัวมันเอง เหยียดยาวห้อยละหนา้าลงมากับพื้นติดเรียบเช่นนั้นเหมือนแมวเกาะรั้วสังกะสีเฮ้ยอนุชาร้องออกมาเบาๆภาพที่ปรากฏในเลนส์กล้องของทั้งสองพี่น้องเจ้าเสือดาวพยายามตะเกียกตะกายเท้าหน้าทั้งสองอันเต็มไปด้วยเล็บของมันเพื่อจะหาที่ยึดเหนียวแต่ก็ไม่อาจจับเข้าส่วนใดได้นอกจากแ ก, แก่งแง่หินทวงมามินมิซึ่งมันเกาะไว้ได้ครั้งแรกเท่านั้นขาหลังก็ตะกุยจับเนะ กับหน้าผาแต่ก็จับไม่ถนัดนะักเพราะความเรียบราบทําให้สภาพของมันเกาะตัวเองโผล่ตองแต่งยักแย่ยักยานอยู่บริเวณนั้นนั่นเองมีหนําซ้ําแง่หินที่มองเห็นอาจไม่ใช่หินแกล้งอะไรนะอาจเป็นพวกหินเปราะหรือประเภทกรวดลูกลังเพราะมีฝุ่นจากการขยับขยื่นกรงเล็บที่โผลน้ําหนักตัวของมันลอยครุ้งขึ้นมาให้เห็นถูกแล้วบริเวณที่มันเกาะพยุงตัวอยู่นั้นกําลังจะถลม่มลงกระบิจากตัวน้ําหนัก ตายแล้วพี่กลางไอเสือดาวตัวนั้นหมดทางไปมันตัดสินใจผิดมันกําลังจะร่วงจากบริเวณที่มันเกาะดาลินร้องเร็วปรือแล้วก็จริงดังล่าสกุลสาวทํำนายไว้ไม่ถึงอึดใจเท่านั้นท่ามกลางความพยายามตะเกียกตะกายอย่างสุดชีวิตของเสือดาวเคราะร้ายตัวนั้นทั้งสองเห็นมันรุดร่วงจากบริเวณแง่ที่อุ้งเท้าหน้าทั้งสองเกาะไว้หล่นวูบและหายแวบไปในแง่โค้หินเบื้องล่างที่โปรแซมอยู่ชัดแจ้งกับตา ครั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบเห็นแต่เลียงผาฝูงเล็กๆนั้นขึ้นไปยืนอโรมกลุ่มกันอยู่บนช ง, งอนสูงตอนหนึ่งไม่มีทีท่าว่าจะเพนตะเลยไปไหนอีกต่อไปอนุชาส่องกล้องดูอยู่เงียบๆด้วยอาการปกติสําหรับชีวิตความเป็นไปของป่าดงแต่ดารินลดกล้องลงหลับตานิ่งรอนบอกไม่ถูกว่าตนเองมีความรู้สึกอย่างไรดูเอาเธอแม้แต่เสือดาวอันเป็นเจ้าแห่งการปีนป่ายก็ยังพลาดได้ หลอนทายอนาคตของมันไม่ถูกว่ามันจะพลัดลงจากตำแหน่งที่กระโจนเกาะพลาดนั้นลงไปกระทบแง่หินข้างล่างบาดเจ็บสะบักสะบอมหรือว่าเหลวแหลกไปเช่นลายแต่ที่เห็นชัดๆก็คือเสือดาวกระโจนใต่หน้าผาปีนป่ายขึ้นไปแล้วพลาดหลนหล่อ น, อนไม่คิดนึกมาก่อนว่าจะได้พบเห็นภาดอันไม่เป็นมงคลกับสายตาและความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเชษฐาชัยยันนานอินและขยินพร้อมพวกลูกหาบเดินตามมาถึงเหนื่อยมากหรือน้อย หน้าซีดเฉียวเพื่อนชายทักเบาๆขณะที่จ้องหน้าหลอนฝืนยิ้มเปล่ามันมันเพียงแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจยังไงพี่กนทำไมมีอะไรหรือเชถิถาถามมองดูหน้าน้องสาวกับน้องชายซึ่งมาลอยืนอยู่ก่อนแล้วและสังเกตเห็นทั้งสองมีกล้องสองทางไกลกันอยู่คนละกล้องไม่มีอะไรหรอกครับพี่ใหญ่น้อยกับผมขึ้นมาถึงที่นี่ก่อน ก็เลยส่องกล้องดูภูมิประเทศเห็นที่ภูเขาหินเป็นหน้าผาใหญ่โน่้นเสือดาวก็โจนไต่าผาชันขึ้นไปดูเหมือนจะไล่เลี้ยงผาแล้วมันก็กระโจนกระโจนเกาะหินพลาดหล่นหายไปก็เรื่องธรรมดาธรรมดาของชีวิตดิน้นรนในป่าน้อยเขาเห็นแล้วมีอาการเหมือนจะไม่สบายงั้นแหละเสือดาวตกเขาชยานร้องเบาๆด้วยอาการงุนงงขงมวดคิ้วจ้องหน้าทั้งสอง ใช่ดารินตอบแผวเบาอีกฝ่ายหัวเราะยังไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเมื่อมันพลาดมันก็ตกได้เหมือนกันทำไมสงสารมันงั้นหรือฉันรู้สึกไม่สู้จะปลอดโปร่งใจนักที่มาเห็นอะไรไม่น่าเชื่อตาแบบนี้มันเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างแล้วหล่อนก็สะบัดหน้าแรงแงมองได้ตาเปล่าไปยังหน้าผาด้านนั้นอีกครั้งพี่ชายใหญ่เดินเข้ามาจับต้นแขนรั้งให้ออกเดินเหลวไหล ชาติเสือมันไม่ทิ้งลายของมันหรอกถึงจะหล่นมันก็ต้องพยายามตะเกียก ต, ตะกายเกาะแง่หินที่ต่ำลงไปพยุงตัวเอาชีวิตรอดได้เกิดมาพี่ยังไม่เคยได้ยินเสือดาวตกเขาตายยกเว้นตกเพราะถูกปืนเท่านั้นไปเดินต่อลุงอินบอกว่าอีกสักประเดี๋ยก็จะถึงตำแหน่งช่องเขาปากทางด่านแรกที่จะนำสู่เหตุสูเขตห้วยเสือร้องแล้ว 14.07 นก เวลาเดียวกันชนิดตรงเพงอันเป็นเวลาที่ดารินมราฤทธ์ส่องกล้องมองเห็นเสือดาวหล่นลงมาจากหน้าผาสูงชันนาฬิกาบนข้อมือของด็ตอร์แซนลีก็ชี้บอกอย่างเที่ยงตรงไม่ขาดไม่เกินแมน้แต่วินาทีเดียวซึ่งเป็นเวลาที่คริสซิน่าร้องบอกกับทุกคนว่าเชือกที่รพินไพรวันกำลังสาวไต่ขึ้นมานั้นขาดสะบั้นออกจากกันแล้ว ต่อจากนั้นภายหลังถกเถียงปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดเพียงไม่เกิน อ, อีกสองสามนาทีจันกับคริสติน่ะก็เป็นผู้โหนไตเชือกย้อนกลับลงไปทันทีเพื่อกู้เอาร่างของสุภาพบุรุษจอมมักคุเทศขึ้นมาบนชะ ง, ง่อนผาให้ได้ไม่ว่าเขาจะบาดเจ็บพิการเพียงไรรู้ว่าแหลกเหลวเสียชีวิตไปแล้วก็ตามโดยคาสั่งของหัวหน้าคณะนะ หน้าบัดนี้บุคคลนั้นเป็นที่วิตกกังวลของคณะพักทุกคนกำลังเผชิญหน้าอยู่กับภัยอันเจ้าตัวถือว่าไม่ใช่เรื่องหนักหนาะอะไรนะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตพลานักเดินป่าไตเขาอย่างเขานั่นเองรู้ตัวล่วงหน้าก่อนเชื่อจะขาดเจา ก, กันทั้งเส้นแค่สองสาอึดใจ จ, จะเปลี่ยนย้ายน้ำหนักของตัวเองไปเกาะแกงแงหินบริเวณใกล้เคียงเอื้อมถึงตอนใดก็มองไม่เห็น เขาได้ยินเสียงตะโกนของดรแซนลีย์ที่แววมาจากวิทยุที่เหน็บเอลอยู่อย่างถนัดแต่ในภาวะเช่นนั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะหยิบวิทยุเหน็บเอลขึ้นมาพูดโต้อตอบใดๆไ ด, ได้เพราะมือทั้งสองมีภาระหนักในการโหนเชือกอยู่แล้วเชือกรลยยำเส้นนั้นมันก็เล่นกลออกกับเขาจริงๆโดยขาดพึงอุจจารกันล่างของพลานใหญ่ที่นบอยู่กับหน้าผาเรียบร่วงวู้เป็นแนวตรงคูดลงมากับบริเวณหน้าผานั้น ในลักษณะทิ้งดิ่งโดยไม่เสียการทรงตัวหรือร่างกายลอยคว้างเปะปะฝ่ามือทั้งสองเกรงขยุ่มเหมือนอุ้งเท้าแมวหรือเสือลากลงมาตามพื้นของหน้าผาหินนั้นโดยกะไว้ว่าไม่ช่วงใดก็ช่วงหนึ่งที่เขาจะต้องเกาะติดกับแง่ที่โผล่ลาออกมาไว้ได้ก่อนที่ล่างของตนจะหล่นลงไปถึงเบื้องล่างอันหมายถึงกระดูกบางส่วนอาจโผล่ออกนอกเนื้อแลวก็จริงดังว่า แค่ช่วงสองวาวเท่านั้นที่ร่างกายคลูดลงมาเขาก็คว้าขอบแง่ตอนหนึ่งที่โปรรั้มออกมาเหมือนผลายชานตึกขนาดแคบๆเอาไว้ได้และโหนตัวเกาะนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนอกจากตัวเองจะห้อยเป็นชนีเกาะกิ่งไม้พยุงตัวไว้ก่อนเพื่อหาทางที่จะปีนป่ายต่อไปตลอดเวลาที่หัวหน้าคณะและคริสทรงวิทยุเรียกลงมาเขาได้ยินชัดเจนทุกประโยค แต่จะเอามือข้างไหนไปปดวิทยุออ ก, ก่าพูดได้ไอ้ครั้นจะแหกปากตะโกนที่เสียงของตนเองขึ้นไปก็เหนื่อยเหลือกำลังเสียงไม่มีในลำคอเลยและระยะของทิศทางที่เป็นชะโ ง, งกหินใหญ่บังอยู่นั้นมันเกินกว่าที่จะตะโกนได้ปากเปล่าขึ้นไปเพื่อให้ได้ยินกันได้พรานใหญ่เกาะนิ่งๆอยู่ตรงตำแหน่งนั้นใช้พลังเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดทำมือให้กลายเป็นตะขอเหล็ก ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทนเกาะไปได้นานสักเท่าใดในสภาพที่ห้อยอยู่นั้นพยายามใช้เท้าเกลี่ยควานหาบริเวณที่จะใช้แตะหรือเหยียบยืนไปได้ทั่วๆอย่างระมัดระวังก็ไม่พบว่าจะมีที่หมายใดๆพอให้ใช้เท้าเหยียบยันเพื่อพยุงตัวได้เลยหินบริเวณนั้นมันเป็นผิวเกลี้ยงเรียบไปหมดเป็นแต่เท้าของเขาจะมีสภาพเป็นยิ่งจกลุดตุกแกไปเท่านั้นน้ําหนักตัวเองทวงจนกระทั่งรู้สึกถึงความเมื่อยละแขนทั้งสองสั่นระลึก ยิ่งกระดิกดิ้นรนมากก็ยิ่งทําให้มือที่เกาะแง่อยู่หลุดเร็วขึ้นอีกจึงได้แต่สงบนิ่งอยู่ในสภาพอันมินเมฆาค้างอยู่เช่นนั้นและชั่วไม่นานเกินไปนักโสดก็แบวบบเสียงการเคลื่อนไหวจากเหนือศีรษะเหมือนมีใครโหนเชือกลงมาเสียงเท้าที่เหยียบยันกับก้อนหินเสียงเชือกเสียงเชือกลั่นอันเกิดจากน้ําหนักตัวซึ่งกําลังขยับลงมาเรื่อยๆได้ยินเข้ามาใกล้ทุกขณะจอมพรานเงยหน้าขึ้นไปดูด้านบนแล้วถอนใจออกมาอย่างโลง่งอก ท่ามกลางแสงต ะ, ตะวันบ่ายอัน้อนแรงล่างของสองบุคคลในาการโลยตัวมาตามสายเชือกที่ยึดไว้ถีบผนังหินแขวงต่ำลงมาห่างเขาไม่มากนะักทั้งคู่เว้นระยะห่างกันราวสองวาโดยเชือกคนละสายคนที่หย่อนลงมาใกล้ตำแหน่งที่เคาเกาะ อ, อยู่ใกล้มากที่สุดคือจันสมุนซ้ายส่วนห่างออกไปเล็กน้อยคือนักไตเขามือดีที่สุดของฝ่ายนายจ้างคริสตินากรูบิล ในระยะขนาดนี้ทั้งสองมองเห็นเขาแล้วว่ากำลังเกาะขอบแง่หินทรงกายห้อยนิ่งอยู่จันตะโกนว่านายขึ้นเกือกล้องและยินดีขีดสุดส่วนคริสติน่าเรียกน้ำเขาออกมาคาเดียวว่ารับพินอย่าผีพผามตีตาลานคริสผมเรียบร้อยดีค่อยๆลงมาช้าๆก็ได้รับพินบอกขึ้นไปเท่าที่เสียงจะอํานวยได้โดยไม่มีการรอช้าอีกนิดแม้แต่วินาทีเดียวจันรูดตัวปลูลงไปที่เขา ส่วนคริสติน่าใช้วิธีทิ้บตัวเองให้ลอยห่างจากผนังหินและก็ไวล่างเข้ามาใกล้ด้วยเห็นในสภาพเช่นนี้บอกได้ว่าหล่อนชํานาญในด้านนี้อย่างแท้จริงก็แค่ไม่กี่วินาทีต่อมาเท่านั้นคนทั้งสองก็โหนลงมาได้บรรลุถึงที่ตําแหน่งระพินเกาะห้อยตัวอยู่ขนาดเอื้อมมือถึงคริสร้องสั่งจันทรเรือปือว่าจานอย่าเพิ่งหยุดอยู่ตรงนั้นหย่อนตัวลงให้ต่ํากว่าระดับตัวเข้าลงไปแล้วใช้สายเชือกพาดใกล้มือเขาที่สุดก่อน นั่นเป็นคำสั่งที่ถูกต้องที่สุดของการกู้ภัยตามสภาพที่เห็นกันอยู่ขณะนี้จัดปฏิบัติตามทันทีหดมือที่กำลังจะส่งไปให้ระพินอย่างโง่โง่โรยตัวผ่านล่างของเขาต่ำลงไปอีกสายเชือกของตนเองพาดผ่านมาที่ลำตัวของเขาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่คริสห้อยตัวลงมาถึงตัวหล่อนก็ผ่อนให้ต่ำกว่าเขาเล็กน้อยเช่นกันและก่อนอื่นใดทั้งสิ้นหล่อนใช้ปลอกแขนอันแข็งแรงเกินสภาพของหญิงสามมันครอคล้องมัดเอวเข้าไว้ ก่อนเป็นหลักประกันว่าถ้าแม้ละพินหมดแรงจะคลูดล่วงต่อไปก็จะติดวงแขนของหล่อนไว้พลางๆก่อนขอบคุณนกรกนึกว่าลงไปแหลกอยู่ข้างล่างแล้วเปลี่ยนมือมาเกาะสายเชือกของจันทร์ไว้หล่อนพูดเบาๆสีหน้าเต็มไปได้วยความปิติคนอย่างผมตายยากเอาละคุณปล่อยมือจากตัวผมได้แล้วละพินบอกแล้วเปลี่ยนมือจากที่เกาะแง่หินไว้ไปคว้าสายเชือกเส้นเดียวกับจันทร์ซึ่งบัดนี้หย่อนตัวลงต่ำไปอีก เพื่อลงไปยืนผ่อนน้ำหนักตัวบนยอดหินที่โผล่แซมขึ้นมายอดหนึ่งเขาใช้มือซ้ายก่อนขมวดมัดพันกับข้อมือไว้อย่างมั่นคงที่สุดจากนั้นจึงใช้มือขวาเปลี่ยนน้าหนักตัวโมโหนเชือกสายนั้นทั้งกายจันยืนพยุงตัวอยู่บนยอดหินก้อนนั้นก่อนนะฉันไม่แน่ใจว่าขนาดเชือกมันจะเหนียวพอที่จะรับน้าหนักได้ถึงสองคนหรือเปล่าเขาล้องสั่งลงไป นายขึ้นไปก่อนได้เลยจันจะยืนเกาะ อ, อยู่ตรงนี้ก่อนมีหนอหินพออาศัยเหยียบได้เต็มตีนไม่ต้องห่วงเสียงจันทร์ร้องตอบขึ้นมาโดยเร็วประพินพยักหน้ากับคริสบอกกับหลอนได้น้ำเสียงปกติธรรมดาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยว่าไปเราโหนตัวขึ้นไปได้แล้วคนละเส้นเชือกประเดี๋ยวขึ้นไปถึงแล้วจัน์จะไต่ตามขึ้นมาเองคริสชำเลืองดูหน้าอันโชคไปด้วยเหงื่อของเขานิดหนึ่งก็เห็นพลานใหญ่ขยิบตาไปอย่างลเลาะร่อนย่นจมูกตอบ และตัวเองก็สาวเชือกไตขึ้นไปทันทีโดยไม่กังวลอะไรต่ออีกแล้วินก็ไตาตามขึ้นไปช้าๆแล้วล่างของบุคคลทั้งสองก็ปรากฏขึ้นมาจากขอบแง่หินใหญ่มันเป็นบริเวณที่เฉือนเส้นเชือกเส้นแรกของเขาขาดออกปรากฏให้ทุกสายตาที่เฝ้ารอคอยอยู่ด้วยความกระสับกระส่ายเห็นกับจะพร้อมๆกันเสียงทุกคนบนนั้นโวกเวก แซ่ําขึ้นอีกครั้งอย่างยินดีและแทบไม่เชื่อสายตาเียได้ร้องถามแซดมาจนจับสับไม่ได้ระพินโบกมือให้ยังไม่พูดอะไรก่อนทั้งสิ้นใ่หินเทราดขึ้นมาจากจนถึงบริเวณชะ ง, ง่อนอันปลอดภัยตรงที่ทั้งหมดรอคอยกระโดโดโลดเต้นต้อนรับกันอยู่แล้วโดยมีคริสตามหลังมาเวลาไล่เลี่ยกเมื่อเขาขึ้นมาถึงเรียบร้อยก็กระตุกสายเชือกแรงๆเป็นสัญญาณเตือนบอกให้จานตายตามขึ้นมาได้ แล้วโดยเชือกเส้นเดียวกันนั้นสแตนลีย์ตรงเข้ามากอดเขาไว้แน่นในขณะที่เชิดวูดคิดและเบลเฮโลเข้ามาลายล้อมแสดงความยินดีปรีดาอ ย, ย่างบอกไม่ถูกคุณเกือบโชคร้ายเป็นครั้งที่สองรับพินหัวหน้าคณะตบหลังเข้าแรงๆขณะที่ยังกอดอยู่นั้นทุกคนสีหน้าเบิกบานแจ่มใสขึ้นมาได้ผิดกับเมื่อครู่หน้ามือเป็นหลังมือ บอกตรงๆตอนที่เห็นเชือกขาดพึ้งออกไปคาตาและเรียกวิทยุไม่มีเสียงตอบผมนึกว่าคุณหมดภารกิจในครั้งนี้แน่แล้วยังไม่หมดครับจนกว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่รับใช้พวกคุณจนลุล่วงเขาตอบยิ้มยิ้มเฮไอ้เสือทำไมถึงไม่ตอบเราขึ้นมาเลยสักคำเดียวตอนที่วิทยุเรียกลงไปคิดเข้ามาประคองไหลเขาอีคนอย่างรักสนิท ผมมีอยู่แค่สองมือคิดและสองมือก็ต้องใช้ในการช่วยชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่โดยการเหนี่ยวเกาะแง่หินไว้ตอนเชื่อขาดจะเอามือที่ไหนผลวิทยุที่เนบเอวมาตอบหรือรายงานเหตุการณ์กักบพวกคุณได้ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งคริสกับจันทรลงไปช่วยอย่างทันการผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าสองคนลงไปช้ากว่านั้นอีกนิดเดียวผมจะมีแรงเกาะแง่หินมินมิน ในลักษณะนักกายกรรมแบบนั้นไปได้นานแค่ไหนอาจหมดแรงล่วงลงไปก็ได้คุณได้ยินเสียงเรียกของพวกเราไม่ใช่หรือคิดถามได้ยินและรู้ว่าพวกคุณตกใจมากเพราะเชือกมันขาดตัวผมก็คลูดลงไปแต่โชคดีมีแง่หินแคบๆตอนหนึ่งขวางทางอยู่ทำให้ฉวยยึดไว้ได้ทันพวกคุณตัดสินใจได้ทันการดีมากที่รีบส่งคริสกับจันให้รีบไต่ลงไปดูโดยไม่ชัก โ, โดยไม่ชักช้าอยู่เพราะ บอกเลยว่าถ้าช้าไปอีกนิดเดียวผมหมดแรงเกาะแน่แล้วรพินก็ถอนใจเฮือกสะบดอะไรพึมพำในลำคอหันไปมองดูสายเชือกที่ขาดกระจุยเหลือปลายตรงตำแหน่งที่ขาดนั้นซึ่งบัดนี้บุญคำสาวขึ้นมากองอยู่หน้าผาบอกต่อไปว่าไม่น่าเลยผมไม่ทันคิดว่าส่วนบนของมันจะของมันพาดกับแหน่หินคมอพอดีและพวกเราก็าศาัยเชือกเส้นนี้โหนล่วงหน้าขึ้นมาหลายคนแล้ว ทำให้มันเปลื่อยตรงจุดนั้นลวงยี้ไต่ขึ้นมาทางเส้นเชือกที่กว้านสัมภะก็จะไม่ทําให้พวกคุณต้องมาเสียเวลาใจหายใจคว่ำอยู่ที่ไปเอาของขึ้นเสร็จหมดพวกข้างบนก็ดึงเชือกทั้งสองเส้นขึ้นมาเสียก่อนแล้วเอาละครับสบายใจได้แล้วผมไม่เป็นอะไรมากนักลรอกงอกครูดหินดุมเสื้อขาไปสองสมเมตรเท่านั้นทั้งหมดรวมทั้งพลานพื้นเมืองและพวกลูกหาบทั้งหลายแสดงอาการโล่งอกต่างยืนรวมกลุ่มกันอยู่รอจนกระทั่งใจ จันต่กลับขึ้นมาเป็นคนล่าสุดเชิดวุธนั้นไม่เอ่ยอะไรมากนะักนอกจากเดินมาจับมือเขาบีบและเขย่าโดยแรงด้วยสีหน้ายิ้มแย้มรบพินไพรวันซะอย่างเสียงเบลเอ่ยขึ้นลอยๆในภาษาของหล่อนซึ่งถ้าแปลออกมาก็คงจะได้ความทำนองนี้ทำเอาพวกเราใจหายใจคว่มตลอดเวลาเมื่อวานหายเข้าไปในทะเลเพลิงนึกว่าเหลือแต่กระดูกไปครึ่งนึงแล้ว วันนี้แสดงอาการตกเขาให้ดูสะอีกทั้งสองครั้งโพ ร, รอดมาได้หน้าตาเฉยพวกเราลูกหัวใจจะวายตายเจ้าตัวคนต้นเหตุกับไม่มีอะไรสะดุ้งสะเทือนเลยขอให้ได้อย่างนี้ตลอดไปเถอะซูเปอร์แมนจอมพรานไม่ได้โตตอบได้สั่งให้บุญคำและลูกน้องของเขาทั้งหลายม้วนเชือกเก็บเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดแม้แต่เส้นที่คา ซึ่งยังมีขนาดยาวอยู่อีกหลายวาโดยใช้ไฟลนตรงปลายส่วนที่ขาดลุยออกไปนั้นเกลียวของไนลอนที่กระจุยออกจากการถูกไฟจากไลเตอร์ลนเผาเยิมละลายตัวเข้ามาเชื่อมรอยสนิทเป็นตุ่มปนอยู่ตรงที่ขาดนั้นป้องกันไม่ให้มันคลายเกลียวออกจากกาันแล้วเขาก็กวาดสายตาสำรวจดูภูมิประเทศที่ต่างไตกันยากเย็นขึ้นมาอย่างทีท้วนทุกคนเมื่อหมดกังวลแล้ว จึงเพิ่งจะมีโอกาสได้พิจารณาเป้าหมายที่ปีนกันขึ้นมาถึงนั้นอย่างเต็มตาอีกครั้งเพราะขณะที่ต่างปินขึ้นมาใหม่ๆความเหนื่อยล้าทำให้ยังไม่มีโอกาสได้ตรวจดูลักษณะของมันที่ท่วนนะยิ่งมาประกบประกอบกับอุบัติเหตุอันหวาดเสียวของรับพินก็ทาให้ลืมสนใจภูมิประเทศตำแหน่งนั้นลงเสียโมแต่ตกใจและวุ่นวายโกลาหนกันอยู่ ลักษณะของมันเป็นยอดหินอันแห้งแล้งที่สุดเต็มไปด้วยก้อนหินที่งอกโปรเรียงรายอยู่ทั่วไปและเมื่อขึ้นมาอยู่บนนั้นแล้วสภาพของมันไม่เห็นจะเหมือนกับปีกนอกอินทรีย์อย่างใดทั้งสิน้นผิดกับการพิจารณาดูจากท้องทุ่งเบื้องล่างลิบๆิลงไปโน้นมีส่วนอันเป็นยอดสู ง, งโงกลำขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งและนั่นคือบริเวณลำคอศีรษะ ของนกอินซีที่เห็นจากเบื้องล่างแน่ๆระหว่างที่เรพินแงนขึ้นมองไปยังบริเวณอันเป็นลำคอและหัวนกนั้นในคิดก็เข้ามาสกิดเอวบอกว่าถ้าคุณคิดจะพาพวกเราปีนต่อขึ้นไปยังบริเวณลำคอรูหัวอีแ้งนี่อีกแล้วก็พวกเราจะให้คุณขึ้นไปคนเดียวและจะให้บุญคํานําทางต่อให้สําหรับเราหรือมายก็เรียกคอปเตอร์ให้มารับเฉพาะพวกเรากลับโดยทิ้งฝ่ายคุณไว้บนนี้ เลิกและถึงจะกลับไปติดคุกก็ยอมวะ่ะอย่าใจเสาะหน้าคิดรูปร่างอย่างกับนักมวยปั้มเฮฟวี่เวททำไมถึงใจเล็กนิดเดียวไม่ต้องห่วงหรอกเพราะไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องปีนขึ้นไปบนหัวอีแรงโน่้นให้เสียเวลาเส้นทางของเราต่อไปนี้ตัดไปตามสันขาวเดินได้สะดวกพอสมควรแล้วกระพินต่อบนหัวเราะเบาๆวันนี้ดูเขาจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษ แล้วก็สำรวจดูสีหน้าอาการของในจ้างทุกคนถามลอย่อยต่อไปว่าจะเคลื่อนต่อกันหรือยังครับละพินขณะนี้บ่ายสองโมงเกือบครึ่งแล้วนะพวกเรายังไม่ได้มีอะไรลองท้องกันเลยและอีกอย่างหนึ่งก็อิดลอยหมดแรงกันเต็มทีแล้วอเมริกันอาวุโสเอ่ยขึ้นอ้อมแอมไม่เต็มปากคำนะรู้สึกว่าทุกคนต้องการพักกันเต็มที่ไม่แต่พรานพื้นเมืองของเขาเองแคพวกลูกหาบทั้งหลาย ถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องเคลื่อนย้ายจากที่นี่ก่อนหาตำแหน่งเหมาะๆแล้วพักกันเลยสำหรับวันนี้ตรงนี้คงไม่เหมาะเพราะโล่งแจ้งเกินไปไม่มีที่บังตะวันกันหลบน้ําค้างในตอนกลางคืนพรานใหญ่บอกและหันไปร้องสัง่งเกิดให้ส่งไรเฟืลของเขาที่ลําเรียงชักล่อขึ้นมาก่อนพร้อมกับสัมภาระอื่นๆมาให้ขยับลูกเลื่อนดูกระสุนเห็นว่าบรรจุอยู่พร้อมก็ลดนกตบลูกเลื่อนเข้าที่ตัววัดซ้ายบะ สไปร์บ่าออกนำเ ล, ลาะลัดไปตามแนวทางเดินลุ่มๆุ ม, มดอนดอนระหว่างป่าหินของยอดเขาบริเวณนั้นทันทีทั้งหมดก็เคลื่อนตามไปเป็นขบวนเบลมองจับอยู่ด้านหลังที่กําลังเดินนําดุมๆุ ม, มอยู่นั้นเอาเข้อศอกสะก็ดคริสบอกว่าเขากําลังจะนําเธอไปสู่สวรรค์เล็กหรือ ส, สวรรค์ที่มีฝูงหงยังไงละ่ะคริสยิ้มขันขันในคําประชดแดกดันของเพื่อนสําหรับวันนี้หล่อนก็มีอารมณ์สงบเยือกเยน็นเป็นพิเศษออกไปเหมือนกัน ต่างกับเบลซึ่งนับวันเวลาเห็นความทุกข์ยากทรมานดล่อนก็ยิ่งเกลี้ยวกล่อดูดหงิดกับจะทิ้งบุคลิกขี้เล่นดําเดิมไปเสียหมดสิ้นอย่าไปงุดหงิดอะไรกับเขาเลยเบลเมื่อกี้เขาก็เกือบตายไปแล้วถ้าฉันกับจันทร์ไม่ดีบลงไปทันเวลาขนทางนั้นลาดลงไปสู่บริเวณแอ่งตอนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นชัยภูมิหยุดพักได้ดีกว่าบริเวณส่วนอันเป็นยอดเนินของปีกอินทรียมีโคตินขนาดสูงใหญ่ บังตะ ว, วันบายไว้พอรับเปลี่ยมมุมน้ำทุกคนก็เห็นละพินมาหยุดยืนมองอะไรเงียบๆอยู่ตรงแอ่งหลังโขดหินที่โผล่มาพบอย่างกระทันหันฝ่ายที่ตามมาติดๆก็มาหยุดยืนพิจารณาอยู่ด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูกมันเป็นบ่อที่บรรจุของเหลวลักษณะเหมือนโครนประหลาดในข้อที่ว่าเป็นโครนเรนที่อยู่บนยอดเขาสูง่ามกลางพื้นหินรอบด้านชนิดมองแทบไม่เห็นดินเลยอนาบริเวณ ของมันเป็นลักษณะบอรูปวงกลมเนื้อที่ลาวร้อยตารางวาทําทให้ทุกคนรวมทั้งรพินต้องสะอึกมองดูเฉยอยู่ในขณะนี้ก็คือ ก, กลุ่มควันบางๆที่ลอยขึ้นมาในลักษณะละเหยคล้ายหมอกและโครนเลี้ยวในบอเดือดนั้นไว้ตัวอยู่เป็นระยะระยะเป็นระยะระยะแตกเป็นพรายพรางดันสูงขึ้นมาแต่ละรูปพรายขนาดกระด้งเครื่องเขื่อง แต่ก็โผก็เพิ่มอย่างเช่มช้าประเดี๋ยวที่นั่นลูกที่นี่ลูกและปรากฏเสียงอยู่เบาๆคล้ายๆเป็นหม้อยักษ์ใช้อุณหภูมิความร้อนเคี่ยวโครนให้เดือดข้างใต้ฉะนั้นเสียงของมันดังปรบ ป, ปรับปรบ ป, ปรับตลอดเวลาและอาจเป็นเช่นิดช่วยนาตาปีไม่ทราบนานมาเท่าไหร่แล้วจอมพลานเหลือบตามองหน้าเจ้านายคณะเจ้านายของเขาทุกคนยังอึดอัดตนเองวางสีหน้าไม่ค่อยจะถูกนกยกหลังมือขึ้นขยี้จมูก คริสติน่าอมยิ้มสายตาหล่อนที่แลมาอย่างเขามันมีอยู่หลายๆความหมายปนกันทั้งสมเพศเวทนาเห็นใจทั้งขบขันและทั้งทุเลศพอเขาสบตาหล่อนก็ทำเป็นสูตรลมหายใจลึกเหมือนจะแสดงว่าชุ่มชื่นรื่นรมเป็นสุขเสียเต็มประดาพูดออกมาปลนหัวเราะเบาๆว่าไม o กู h เทเว n พบแล้วสะโบกขอละหนีของลพินไพยวัน เย็นรื่นชื่นฉ่ำหน้าลงเล่นอาบกินหลือเกินแล้วหล่อนก็ยื่นมือส่งมาให้เขาด้วยอาการทอดแขนอ่อนช้อยพร้อมกับร้องเพลงทอดนหนึ่งออกมาอย่างอ่อนหวานไพเราะเหมือนตัวละครแสดงโอเปร่าว่า take my hand I'm a stranger in paradise I'm lost in the wonderland a stranger in paradise Stanley Keith Sherwood รวมทั้งเบลด้วย โดยไม่ได้นัดกันไว้เลยทุกคนพากันหัวเราะออกมาอย่างเครึครืนคบขันที่สุดในคำพูดท่าทีและข้อความบทเพลงของคริสตลอดจนสีหน้าอาการของรพินซึ่งไม่รู้จะวางหน้าอย่างไรความหมายในเพลงที่เพรอะกึ่งประชดกึ่งเย้าของหล่อนก็คือจับมือฉันไว้ซีฉันเป็นคนแปลกหน้าในสวงสวรรค์แห่งนี้คนแปลกหน้าที่กาลังหลงทางอยู่ในดินแดนประราดอันน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด จอมพรานยิ้มเกรยกอกรยจับมือหล่อนโดยดีแล้วบีบกระชับแน่นบอกว่าไม่ต้องกลัวคุณมากับผมแล้วก็ไม่ว่าสวงสวรรค์เลื่อนนรกที่ไหนจะไม่มีวันนำคุณหลงหรอกเสดายอยู่นิดตรงที่ว่าสะของผมแห่งนี้ไม่ยักมีโหนงขาวหหนงดำลอยเล่นมันอย่างที่เคยบอกไว้อาจนำผิดองศาไปหน่อยกระมังแล้วเขาก็ปล่อยมือหล่อนออกหันไปทางทุกคน เราจะหาที่พักกันในบริเวณแถบนี้แหละครับดีเหมือนกันในเวลากลางคืนตะวันตกดินไปแล้วเราจะไม่หนาวเย็นกันนะักอบอุ่นดีด้วยซ้ำแม้จะรู้สึกทึ่งแปลกใจต่อสภาพบ่อโครนเดือดตำแหน่งนะั้นแต่ทุกคนก็ไม่พิสมัยที่จะยืนอยู่ใกล้ๆเพื่อชมมันมากนะไอขาวคุ่นที่ลราเหยเป็นหมอกควันขึ้นมามีกลิ่นกรรมฐานผสมอยู่ด้วยสัมผัสนาคาประาสาทชัดเจนระพินโบกมือให้ทั้งหมดถอยห่างออกมา แล้วเขาก็เลือกได้ชัยภูมิเหมาะแห่งหนึ่งห่างจากปากบอ่อโครนเหนือยอดเขาตรงนั้นออกมาลาวห้าหกสิบหลาในเวิ้งชะง่อนบางของซอกหินลักษณะเหมือนกาบหอยยักษ์ที่อ้าอยู่สั่งให้ลูกหาปรงของทันทีพิจารณาดูเงาแดดกะว่ามันควรจะอยู่ในลาวบ่ายสามโมงเอาล่ะครับพักพักใครหิวกินใครง่วงนอน วันนี้ขึ้นมาได้แค่นี้ก็พอใจแล้วหลายคนแม้กระทั่งพวกลูกหากของเขาเองลงนอนแผ่หลายอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงมันเป็นหนทางของการปีนเขาที่สะบักสะบอมจริงๆและเวลาเห็นการเดินทางก็ล่วงไปได้สามในสี่ส่วนของวันเท่านั้นแต่ทุกคนหมดแรงแล้วสําหรับวันนี้ยังโชคดีอยู่บ้างที่ได้น้ำเคมีอันเป็นเม็ดสาเร็จรูปจากไฟในจ้างอเมริกันเป็นเครื่อง ประทับประทังความกระหายน้ำไว้ไมิฉะนั้นยังทำนายเหตุการณ์ไม่ถูกว่าทั้งหมดจะทนทานต่อสภาพขาดน้ำไปได้แค่ไหนโดยเฉพาะพวกนายจ้างเองระหว่างกินอาหารรองท้องประทังตายกันจากเครื่องเรชาแลและมองสำรวจภูมิประเทศไปรอบๆสแตนลีย์ก็กล่าวกับเขาขึ้นเบาๆความจริงภูมิประเทศบนนี้มันก็สวยแปลกตาไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน เป็นยอดเขาที่อุ ด, ดมไปด้วยป่าหินที่สวยงามที่สุดเหนือกว่าทุกแห่งที่เราพบกันมาแล้วเอเสียอย่างเดียวมันเหมือนอยู่บนยอดของเตานรกขนาดมหาใหญ่เท่านั้นเสียงในคิดโพร่งแทรกขึ้นมาและชี้ไปทางบ่อโครนประหลาดถามว่าบ่อโครนเดือดปุดๆอยู่นั่นคุณว่ามันเป็นอะไรพรานใหญ่ตอบโดยไม่มองหน้าใครนอกจากก้มลงม่วนอยู่เฉพาะเนื้อกระป๋องในมือเขา อาจเป็นบ่อนะ้ำหรือสถานีเติมเชื้อเพลิงของพวกมนุษย์ต่างดาวเวลาผ่านลงมาเยี่ยมในโลกกระเคาะใบนี้ของมนุษย์กกหมักผมไม่ใช่นักธรณีวิทยาแต่คุณก็เคยผ่านสิ่งแปลกในดินแดนหลงสำรวจนี้มาก่อนแล้วอาจเคยพบมาก่อนบ้างเบลเสริมมาทันทีระพินยักไหลสิ่งที่ผมเห็นในดินแดนบริเวณที่เราควรจะ มงไว้ด้วยสีดำมืดนี้มันมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างและหลายพฤติการจนสุดที่จะจดจาหรือวิเคราะห์ได้มันคืออะไรเพราะวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ไม่ออกในครั้งนั้นเราจึงเพียงแต่พยายามดีเกลี้ยงหรือผ่านมันไปใชให้พ้นพนมุ่งอยู่เฉพาะจุดหมายปลายทางของเราอย่างเดียวไม่อยากจะจาไม่อยากจะเก็บเอามาไว้ในความนึกคิดเพราะมันทาให้ประสาทปั่นป่วนไปหมดดีไม่ดีจะบ้าตาย ในการเดินทางครั้งนี้ผมจึงอยากขอร้องพวกคุณไว้ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างผมและพวกในจ้างเก่าของผมเคยทำกันมาแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเปราะๆไปคำนึงถึงความปลอดภัยของเราไว้ก่อนเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วอย่าเพิ่งเก็บมาใส่ใจคิดให้ลกสมองฉันถามว่าคุณเคยเห็นบ่อโครนเดือดบนยอดเขาแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าแม่ผมแดงคาดคั้นเฉพาะจุดประพินใช้ซ่อมจิ้มเนื้อเข้าปากเคี้ยวหน้าตาเฉยอย่าว่าจะบอกโครนเดือดเลย ลาว่าแล้วหินหลอมละลายกำลังสุกปรังเดือดอยู่พรักๆเราก็เห็นกันมาแล้วภายใต้ภูเขาบางลูกเปลวไฟที่ปราศจากความร้อนรู้ที่เรียกว่าไฟเย็นอย่างพระนางสองพันปีในนิยายอาปลาเราก็เห็นสร้างหานาจากเก่าแก่โบราณที่คำนวณอายุไม่ได้ว่ามันเป็นยุคใดสมัยใดอยู่ในแล้วก็ศัพท์สมัย prehistoric animal ประเภทไดโนเสาร์สารพัดอย่างที่นําออกไปบอกเล่าใครไม่ได้ก็อยู่ในเส้นทางนี้แหละเส้นทางที่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปซึ่งผมสาบานไว้แล้วว่าจะไม่หวนกลับมาพบเห็นมันอีกเปรียบเสมือนภาพฝันร้ายนั้นอีกแต่พวกคุณก็ฉุดกระชากลากผมมาจนได้คําพูดของเขาเรียบเรียบในยเนยก็จริงแต่ทําให้ไฟในจ้างทุกคนนิ่งงันไปทันที ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะถ่มปางในคําพูดของเขายัาเหยียดยันแต่มาแับ น, นี้ไม่มีใครเห็นเป็นแง่คบขันเลวหลายอีกเลยนอกจากจะนั่งคิดกันในลักษณะต่างๆไม่มีใครอ่านใจกันถูกเสียงพรานนําทางกล่าวเนิบต่อไปว่าผมไม่รับรองว่าพวกคุณจะได้พบเห็นอย่างที่ผมเคยพบมาแล้วหรือไม่แต่ก็ภาวนาว่าอย่าให้ได้พบกับความน่าสยดสยองอย่างที่ผมผ่านมาแล้วเลยคิดโปรดคอยสังเกตดูเครื่องรับวิทยุเครื่องใหญ่ที่จะติดกับสถานีลอยของพวกคุณไว้ ถ้ามันยังใช้การได้อยู่ก็แปลว่าเรายังอยู่ในโลกแห่งภูมิศาสตนี้แต่ถ้ามันมีอันเป็นไปใช้งานไม่ได้เมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าเราร่วงเข้าสู่ดินแดนสนธยาโลกหลงสำรวจแน่นอนแล้วและชีวิตของเราทุกคนกาลังอยู่ในความฝันที่ไม่โสพานะสิ่งที่ผมจะขอแนะนำพวกคุณต่อไปก็คือต่อไปนี้พวกคุณเริ่มสวดภาวนาขอพรพระเป็นเจ้าได้แล้วถ้าคุณยังนับถือพระเจ้าอยู่บ้าง ขอให้ท่านเปิดทางสะดวกและปกปักพิทักษ์ภัยให้แก่พวกเราทุกคนจากทรัพย์อันตรายที่จะมาถึงทั้งรูปแบบที่มองเห็นและมองไม่เห็นกล่าวจบเขาก็เงยขึ้นยิ้มให้แก่ทุกคนทําให้ใบหน้านั้นดูอ่อนโยนไปกว่าสภาพที่เป็นกันอยู่ปกติทุกคนอยากจะเห็นระพินไพรวันมีสีหน้าที่นุ่มนวลอ่อนโยนเช่นนี้ตลอดไปเพราะมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมรอบกายอยู่ในไพยนรกดูเป็นมิตรและจำใสขึ้น แต่ให้ตายเธอทุกคนรู้เส้นจับนิสัยบุคลิกประจำตัวของเขาได้เสียแล้วว่าถ้าหมอนี่มีทีท่าอันและดูอ่อนหวานเยือกเย็นและช่างยิ้มช่างเล่นเมื่อไหร่เมื่อนั้นทางคณะอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วเขาหน้าและรอยยิ้มของคนคนนี้เปรียบเหมือนปรลอดวัดความคับขันของสถานการณ์ได้ดีที่สุดและแม่นยำที่สุดเสียด้วยจะอย่างไรก็ตามนจ้างอเมริกันทั้งสี่ก็ดูเหมือนจะโปรงตกต่ออนาคตของตนเองแล้วเช่นกัน ในทํานองว่าเป็นไรเป็นกันฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับลิขิตของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเมื่อก่อนจะออกเดินทางกันมาพวกเขาเหล่านี้ไม่เคยคิดถึงกันมาก่อนเลยเพราะไม่เชื่อว่ามันจะมีหนทางที่มหาทารุนร้ายกาศเสี่ยงต่อพยันตรายนานาประการถึงเพียงนี้อยู่ในโลกที่มนุษย์มีความจําเป็นจะต้องกระเสือกสนผ่านไปให้ได้สเตนลี Stanley ยิ้มขมขื่นบนริมฝี ป, ปากใต้หนวดที่งอกครึมอยู่ โดยไม่ได้ถูกมิดโกนมาหลายวันของเขาเหยียดเท้าทั้งสองยาวราบไปกับพื้นในท่าพักผ่อนตามสบายอเมริกันอาวุโสพวกนี้ผู้นี้โดยแท้จริงแล้ะเป็นนักเผชิญภัยเกินกว่าที่ฝ่ายของรพินจะคิดมาก่อนทีเดียวคิดนั้นดูผัดผาดว่าทระหดบึกบินบึกบึนในผิวนอกแต่แกนลึกเข้าไปแล้วไม่ใช่คนกล้าหาญอะไรนะนอกจากความมุทะลุบ้าดีเดือด บัดนี้คิดชำเรืองไปที่เครื่องวิทยุรับส่งประจำคณะไม่ได้ยินรพินพูดกะไว้ว่าพักผอให้หายเหนื่อยสักนิดก็จะทดลองติดต่อเรียกเพื่อสอบทิศทางกับพอควบคุมดูเบลลงนอนตะแคงศิษะหนุนแขนตัวเองหลับแบบฟิวขาดเชิบุตนั้นแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยก็ยังตาใสายอยู่พยายามมองดูที่รพินและพวกลูกหาบทุกคนส่วนคริสติน่าหรือไลลาอมิเตนั่งกอดเข่าหันหน้าไปทาง ไอของบ่อคโครนเดือดที่ส่งควันละเหยออยู่ด้วยอาการพิพพนิใไข้ครวนแม่ผมทองลูกครึ่งระหว่างตุรกีกับอเมริกันผู้นี้มีอะไรในตัวหลายๆอย่างเป็นส่วนผสมระหว่างมาเรียฮอฟมานอันนันไตรกับแม่ด อ, อกฟ้าดารินของเขาแต่ก็มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวบางส่วนแยกออกไปสวยลี้ลับยังแขงขาวผสมตะวันตกฉลาดคมลึกซึ้งอ่อนหวาน และกล้าวโหดสุทธภาวะทางอารมณ์เป็นสิ่งที่น่าถอยให้ห่างเท่าๆ ก, กับดึงดูดให้เข้าใกล้มันผลักผลักดันดันชุดๆุดดึงดึงยางไรอยู่วานนี้ป้อแป้อ่อนแอที่สุดแต่มาวันนี้หล่อนดูเหมือนจะแข็งแรงที่สุดไม่ว่าทางกายหรือทางใจนี่เป็นสิ่งที่คิดคำนึงอยู่ในใจของรพินไพรวันแต่เขาก็รู้สึกสมเพศนายทหารรุ่นน้องที่เคราะห์ร้ายติดมาด้วยในครั้งนี้ เชิดวุตรไกรรนฤตหนุ่มน้อยที่ไปลหลงไหลฝาย ฟ, ฟันในตัวของแม่ภูเขาไฟปกคลุมด้วยหิมะคนนี้เขา้าเขาอยากจะเตือนเชิดวุตธให้ลดความจริงจังของวใจลงเสะถดแต่ก็ไม่กล้าเกรงจะมีการเข้าใจผิดไปอย่างอื่นไลล่าไม่ใช่ผู้หญิงที่ผูช้ชายทุกคนไม่ว่าจะช่ำชองชาญฉละชาญฉกาดขนาดไหนจะพึงสเสนหาหลงผิดเอามาเป็นพรนยาไม่หล่อนเปรียบเหมือนดอกไม้กรีบงามยั่วตา ที่ซ่อนเอาผิดปลายมหาการเอาไว้ในเกสร อ, อย่าว่าแต่เขาผู้ซึ่งมีเจ้าของหัวใจอันไม่สามารถจะเจียให้แกผู้หญิงอื่นใด้อีกแล้วเลยถ้าแม้ว่าเขาจะไม่มีดารินอยู่กลางใจมาก่อนรพินก็บอกกับตนเองว่าผู้หญิงคนนี้หาใช่ผู้หญิงที่เขาจะกล้ารักหรือผูกพันในด้านเสน่หาด้วยไม่เขาไม่กล้าจริงๆหล่อนเป็นเพื่อนตายร่วมเผชิญโชคเผชิญภัยได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเลวร้ายสักแค่ไหนแต่ไม่ใช่เพื่อนผู้ครองรักครองเรือนของใครชีวิตหล่อนก็คงจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปนี่เป็นสิ่งที่เขาศึกษาและแน่ใจได้มาจากการร่วมชีวิตบุกบั่นเดินป่ากันมานานวันเข้าซึ่งทำให้ยังซึ้งซึมทราบได้ดีที่สุดดูเอาเถิดแม้บัตรนี้เชิดวุฒิจะเดินเข้าไปย่อนกายนั่งมีอาการเหมือนจะพูดเอาเอาใจหล่อนไม่รู้ไปก็รีก็รอเอาใจกันอีท่าไหน เขาเห็นหล่อนใช้สอกกระแทกต้นแขนของเชิดวุธเอียงกระเทเร่ไปพร้อมกับร้องออกมา ด, ดังด้วยเสียงเฉียบขาด Would you stay away from me? Otherwise I kill you. นายนั่นก็เดินยิ้มแห้งๆมาหย่อนกายลงนั่งข้างเขาไปทำผิดเส้นอะไรเข้าล่ะครับจอมพลานกระซิบถามอย่างสงสารพันตรีหนุม่มโครงหัวบนอุบอิบ ร้ายกาจจริงๆอีนางนี่แต่ถึงยังไงผมก็ยังรักช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับพี่ชายช่วยอะไรยังไงคริสสัทธาเลื่อมสและเชื่อฟังพี่มากถ้าโอกาสดีๆแดดร่มลมตกวันนี้พี่ช่วยกล่อมให้ผมที่เธอบอกเขาว่าผมรักเขาจริงๆพรานใหญ่หัวร้อออกมาเบาๆอย่างขันๆกระเดี๋ยวผมถูกท้องออกมาไม่ทันเหมือนคุณถูกเมื่อตะกี้อย่นี้เท่านั้น ไม่หรอกครับผมกล้ารับรองได้คริสทั้งเคารบทั้งเกรงพี่จะตายไปเป็นพรานนําทางอย่างเดียวไม่พอผมยังต้องรับภาระหนักเป็นแม่สื่อแม่ช้างอีกลืนนี้โทษผมก ล, าล้าประพี่เอาตกลงขอดูทิศทางลมก่อนนะแต่ผมว่าคนที่จะให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือคุณมุตได้ดีที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่ผมหรอกคู่หูคุณถ้าบุญคานั่นแหนไปปรึกษาแกสิ นายทหารหนุ่มสันหน้ายิ้มแยะลุงคําแกก็ได้แต่ตลกขนองยุให้เข้าป่าเข้าลกไปตามเรื่องของแกนะสิครับคุยกันสนุกสนุกพอผ่อนคลายอารมณ์ได้แต่จะไปหวังอะไรกับแกเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เอออแกก็บอกให้ปล้ำท่าเดียวมีหวังถูกอัดลอยออกมาไม่ทันถ้าทำที่แกสอนให้เมื่อกี้เขาไปผิดท่าผิดทางยังไงเขาล่ะครับถึงได้ถูกตะเพิดออกมาไม่ทัน ผมชวนหล่อนนอนด้วยกันคืนนี้หล่อนชิ้นพิธีหล่อนชี้ไปที่ก้อนหินและบอกผมว่ายังไงพี่ดาวถูกไหมไม่ทราบหรอกครับหล่อนบอกว่าพุทธโยค into the hole of the lock กระพินกับหัวรอกก้าเข้ามาปล่อยพืดพืดในลำคอก็ <c oughs> <c oughs> เป็นบทกวีที่ไพเราะดีนี่ครับคริส <Chris S 2> <c oughs> มีอารมณ์โรแมนติกทางภาษาอังกฤษอยู่ไม่น้อยทีเดียวและยังไงต่อไปครับ เชิดวุธิทำหน้าเลี่ยลาดอ้อมแอมว่าครับมันเป็นร้อยกรองที่ครองจองนี่อยู่หรอกแต่ผมฟังดูแล้วมันไม่ลื่นลมเลยพอเอามือวางไปบนตักมันก็ผลักผมแล้วก็แหกปากโวยวายขึ้นนั่นแหละคุณวุฒิเขาพูดอย่างปราณียิ้มยิ้มอยู่ในสีหน้าถ้าคุณอยากจะชวนหล่อนเล่นรักหรือเปิดเกมสเสน่หาขึ้นแล้วก็คุณก็ควรจะต้องดูภูมิประเทศเหตุการณ์กาลเทศะ ให้เหมาะสมกลมกลืนเสก่อนสิครับแต่คิดแต่เพียงว่าวัวเคยขาม้าเคยขี่แดดกำลังร้อนเปรี้ยงแบบนี้ภูมิประเทศก็แห้งแรงกันดานเหลือเกินซ้ำอย่างกลางวันแสกๆผมรู้ดีว่าวันนี้แม่คริสก็อารมณ์ไม่ดีนักหรอกคงนึกสาบแช่งผมอยู่ในใจเหมือนกันเพียงแต่แส้งวางสีหน้าปกติเหมือนจะไม่สะดุ้งสะเทือนกับอะไรเลยทั้งทั้งที่ภายในคุณต้องรู้ว่าหล่อนคุณมัว หวาดวิตกไม่แพ้ทุกๆคนฝ่ายของหล่อนคัมโบลาณเขาอย่างว่าจะเรียนร่ำทําอะไรไม่ลำบากยอดยากอยู่อย่างเดียวเกี่ยวผู้หญิงอย่าบุ่มบามสิครับเอาไว้อากาศเย็นลงกว่านี้บรรยากาศลื่นลมกว่านี้อะไรต่ออะไรก็จะดีขึ้นเองนายทหารรุ่นน้องมองดูเขาด้วยตาเป็นประกายชื่นชมพี่นี่เก่งหมดทุกอย่างเลยนะ แม้แต่จิตวิทยาในเรื่องผู้หญิงตรงกันข้ามเลยผมมันบ่มีไกลไม่ได้มีความชำนาญอะไรสักนิดในเรื่องนี้ก็เอาสูตรสำเร็จความจริงมาพูดให้ฟังเท่านั้นคุณจะไปหวังอีอออะไรกับแม่นั่นในตอนนี้ตอนที่หล่อนกำลังมีความคิดว่าตนเองอาจถูกหลอกขึ้นมาด่างทั้งเป็นอยู่บนยอดปีกอินสีผมปลดว่าบนนี้ มีสระน้ำกว้างใหญ่ใสสะอาดพอขึ้นมาหล่อนพบบ่อโครนเดือดอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของภูเขาไฟที่กำลังระอุอยู่ข้างใต้นี่ดีว่าเราขึ้นมากันทั้งคณะถ้าลํำพังสองต่อสองผมว่าคริสคงยิงผมทิ้งแล้วแล้วรพินก็เอนหลังลงนอนอย่างง่ายง่ายหลบปีกหมวกลงบังหน้าแต่ลิมฟิปากยังพูดอยู่แผว่วว่าว่าไม่อยากจะเตือนแล้วก็อดไม่ได้เพราะเป็นห่วง คุณก็เหมือนน้องชายของผมคนหนึ่งเตือนอะไรครับพี่เชิดวุฒลงนอนข้างๆทั้งสองพูดกันด้วยเสียงซุบซิบมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จัดการแต่อย่าไปหลงปักหลงปักใจจริงจังอะไรนะคุณเลี้ยงเป็นลูกเป็นเมียไม่ได้หรอกผู้หญิงคนนี้ทำไมล่ะครับเชิดวุฒิก็ซิบถามอย่างร้อนลน หลอนเป็นโรคจิต ท, ที่กระเดียดไปทางอมหิตเยี้ยมโหดบางขณะเวลาลืมตัวเผลอหลอนอัดแร่เนื้อคุณซื้อเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่คุณไม่ทันระวังอีกฝ่ายเงียบกริบไปทันทีแล้วหลินก็หลับไปอย่างง่ายๆสำหรับบ่ายแสนหนักวันนี้ไม่มีเสียงนกเขาตัวใดมาคูขันกล่อมเขาเลยมีแต่เสียงบ่โครนที่ลั่นอยู่ครึกครักเป็นดนตรีนระกแววมาให้ได้ยินเท่านั้น กลุ่มนายจ้างก็พร้อยหลับกันไปได้วยความอ่อนเพลียกันทุกคนอย่างเผลอตัวแม้แต่คีดเองที่ตั้งใจไว้ว่าอีกสักประเดี๋ยวจะทดลองวิทยุติดต่อกับสถานีควบคุมการเดินทางก็ม้อยไปแล้วเช่นกันท่ามกลางเซี่ยวส่วนของโลกที่วิเวกอ้างว้างสงัดจากสิ่งอันมีชีวิตไม่ว่าจะสิงสัตว์ตุบาทวิบากซึ่งไม่โปรวีแววมาให้เห็นเลยแม้แต่ตัวเดียว เพราะเหตุที่ว่าพี่ชายใหญ่คือคุณชายเชฐิฐารั้งตัวไว้พร้อมออกคำสั่งให้เดินไปพร้อมๆกันโดยไม่ให้ไปนำอยู่เบื้องหน้าอีกแล้วดารินวราฤทธิ์จึงต้องจับหมู่ไปกับอดีตท่านทูธทหารบกและเพื่อนชายชัยยันคงปล่อยให้อนุชาและนานอินสองคนเป็นผู้นำอยู่เบื้องหน้าผลทางตอนนี้เริ่มสลับซับซ้อน ไ ป, ไปด้วยเหลี่ยมมุมรับตาล่องรอยของคณะที่ล่วงหน้าก่อนแล้วก็เริ่มจางหายค้นไม่พบนอกจากพื้นดินอันเป็นหินดานแข็งตลอดมองไม่พบเศษวัสดุใดๆแม้แต่ก้นบุรีหรือก้นซิกาทิ้งไว้ให้เห็นรอยบากกิ่งไม้ก็ไม่มีสำคัญที่สุดก็คือเจ้าด้วนที่ดุมเดินอยู่เบื้องหน้าก็ดูเหมือนจะไม่รอแล้ว มันหายลับไปตามตามทางที่ไต่ชันขึ้นตามลาดับของไหลเขาที่เต็มไปด้วยชะ ง, งอนแง่มุมบงังตอนนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลางกับลุงอินเธอน้อยรู้สึกวระยะที่จะมองเห็นกันระหว่างคนเดินหลังกับเดินนําหน้ามันมองไม่ชัดแล้วเพราะเหลี่ย ม, มุมบงังถ้าเกิดอะไรขึ้นกับน้อยเป็นต้นว่าอะไรมันแอบซุ่มอยู่พวกเราอยู่ข้างหลังจะไม่ทันเห็น พี่ชายใหญ่กล่าวอ่อนโยนแต่กึ่งเป็นคําสั่งกลัวเสือมันดักขย้ำน้อยเลยไอ้ผีดิบมันตรายนั่นดักฉุดเข้าป่าหินริมทางหรือคะชายยันบอกว่าเสือนะ่ะไม่เท่าไรหรอกเชื่อว่ามืออย่างเธอทันทีจะป้องกันตัวแต่ไอ้ผีนรกดึกดําบันตัวนะั้นฉันคิดว่ามันคงไม่โง่น้อยไปกว่าเลราหรอกวูบเดียวที่มันกระชากเธอบางเลียมหินเราก็ไม่รู้จะตามไปทางไหนแล้ว สงวนเนื้อสงวนตัวไว้หน่อยน้อยอย่าเอาแต่อารมณ์เร่งด่วนพรุ่งพล่านนะปล่อยให้กลางกับลุงอินเป็นหัวหน้าไปก่อนดีกว่าสําหรับระยะนี้ชั้นดูภูมิประเทศแล้วมันไม่น่าไว้วางใจเลยหล่อนเงี้ยหูพยายามจะจับเสียงกระดึงที่ผูกคอเจ้าด้วนไว้เงียบกริบไม่ได้ยินนานแล้วแสดงว่ามันไม่แยกไปทางแสดงว่าถ้ามันไม่แยกไปทางไหนเสียก็คงนําไปข้างหน้าไกลลิฟ และสําหรับอนุชากับนานอินก็รับตาหายไปแล้วเห็นหน้าของหล่อนซีและเจ้าพี่ชายก็เอามือวางลงบนลายหล่อนขณะที่เดินคิว้วคู่กันไปด้วยกันน้อยคงยังไม่ทันสังเกตเห็นตรงหน้าพาที่เราผ่านมานั่นให้ตลอดหรอกทําไมคะเสือดาวตัวนั้นตัวที่น้อยกับกลางบอกว่ามันเกาะหินแล้วหลุดล่วงไปจากเขานะทําไมคะหล่อนถามอยู่ประโยคเดิมเชิดายิ้มน้อยคงคิดว่ามันร่วงลงไปแหลกตายแล้ว แต่ก็ไม่ได้สนใจจะหันไปดูอีกพี่สองกล้องจับอยู่ตลอดเวลาสักพักใหญ่ก่อนที่เราจะออกเดินทางต่อพี่เห็นเงาของมันโผล่ออกมาตรงซอกหินต่ําเบื้องล่างมันไม่ตกลงไปแหลกหรือคอหักตายหรอกน้อยเพียงแต่เลาะรัดไปตามแง่หินต่ําด้านล่างและดูอาการว่าไม่อยากจะตามเลียงผาชุดที่หนีขึ้นไปบนยอดชะ ง, งอนนั้นอีกแล้วก็บอกแล้วยังไงว่าชาติเสือมีฤทธิจะเสียท่าตกเขาตายทั้งกรงเล็บ ทั้งพลังตีนสี่ข้างมันเอกแข็งแรงต้องมีบริเวณที่มันตะกายคว้าพายุงไว้ได้วันยังคำ่ำยกเว้นอย่างเดียวถ้าร่วงโดยอาการถูกปืนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเลิกคิดถึงโชคลางในแง่ล้ายเสียเถอะสีหน้าของน้องสาวดีขึ้นเล็กน้อยเลยคะน้อยไม่ทันสังเกตเห็นโดยเฉพาะตอนที่มันพลาดล่วงลงมาเท่านั้นแต่พี่ใหญ่ยัามาเอานิยมนิยายอะไรกับน้อยเลยคะ่ะรู้สึกตัวเองว่าตอนนี้ประสาทไม่ค่อยจะดีนะ มองเห็นเหตุการณ์อะไรก็คิดไปเปรียบเทียบกับทํานายโชคชะตาของลรพินทุกทีก็เพราะอย่างนี้สิพี่ถึงว่าเรามาเดินรวมกลุ่มกันดีกว่าชัยันเข้ามาประกบอีกข้างหนึ่งโอบแขนกอดไว้อย่างรักสนิทอีกไม่นานเราก็จะถึงห้วยเสือร้องแล้วที่นั่นเราคงจะได้ข่าวพวกเขาชัดเจนทีเดียวอย่าทาหน้าเศร้าไปอย่างนั้นเลยน้อยมาฉันจะขับเสพาให้ฟัง เป็นตอนเดินป่าในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะแต่ใครจะเดินฉันก็จำไม่ได้แล้วเขาว่าว่าพลางทางเดินเนินพนมรื่นร่มพันไม้ใบหนาพลางชมหมู่วิหกนกนานาสาริกาพูดเจ้ออยู่จอแจคุ้มขาบเขาขันสนั่นป่า กระสาจับกระสังส่งเสียงแซ่นกกะลิงจับกิ่งปลโลงแลคับแคจับคางริมทางจอดารินยิ้มเศร้าๆอาศิสะโขกบไหลของชัยยันเบาๆเธอเป็นเพื่อนที่ดีของฉันหละเกินนะชัยยันแต่เสภาชมดงที่เธอขับมาให้ฟังนี่น่ะไม่เหมือนกับสภาพของป่าที่เรากำดังเดินอยู่นี่จนนิดเดียว ป่าในวันคดีเป็นป่าที่แสนจะรื่นรมแต่ป่าที่เราเผชิญจริงๆอยู่ขณะนี้มันเป็นป่าหาลึกโหดฉันมองไม่เห็นนกอะไรต่ออะไรหรือพันไม้ที่เธอลำพันมาสักอย่างหันไปทางไหนก็หินกรวดตะไคร้ใบไม้แห้งแล้วก็ท้ามีต้นไม้สักต้นก็แงนคอตั้งบ่าเฮ้อก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะได้ยินเสียงนกเขาใหญ่ขันมาแต่มองไม่เห็นตัว เอาทางนั้นเอาใหม่เอาให้ตรงกับบรรยากาศก็ได้จู่หูหุกกรูเขาคูคร่ำครวนจู่หูหุกกรูเจ้าร้างนวลโศกส่วนซบเศร้าเขาเจ้าเอยอย่าเลยร้องทำนองเศร้าฉันฟังแล้วฟังเล่าเสียงมันเข้าไปควานสวงชา ย, ยันร้องเพลงอะไรออกมาทอดหนึ่งอย่างปราศจากความหมาย ดารินน้ำตาคลอเพื่อนชายไม่ทันสังเกตหรือสำเนียกทราบบอกว่าหากเขาคุยเรื่องปลุกปลอบใจไปตามเรื่องทันใดนั้นเองกลุ่มที่เดินอยู่เบื้องหลังทุกคนก็เชะ ง, งักมีเสียงช้างร้องแวดขึ้นมาจากทิศทางเบื้องหน้าครั้งเดียวก็หายไปอาการนั้นทําให้เชษฐาชายันและดารินขยับลูกเลื่อนพร้อมกันโดยไม่ได้นัดไว้มันเงียบไปกึ่งอึดใจตรงนั้นก็ได้ยินเสียงพูดของอนุชา แว่ออกมาจากลำโพงจิ๋วของวิทยุมือถือที่เปิดสแตนบายไว้ตลอดเวลาเนบเอลอยู่เรียกทุกคนมีอะไรลึกกลางพี่ชายใหญ่กรอกคำถามลงไปเล่งฝีเท้าหน่อยครับมีอะไรแปลกมากขณะนี้เรากำลังยืนอยู่ปากทางที่เคยเป็นช่องเขาแคบแคบแต่เดี๋ยวนี้เรามองไม่เห็นช่องเขาเสียแล้วลงอินยืนยันว่านำทางมาไม่ผิดทั้งชุดที่เดินอยู่เบื้องหลังเล่นฝีเท้าขึ้นทันทีอย่างร้อนใจและสงสัยในคาบอกเล่าสั้นๆของอนุชาทางวิทยุ ครูเดียวทั้งดาริเรียนเชิฐานและชายันก็โผล่เรียมหินมองเห็นลงไปยังหนทางที่เทลาดยาวเหยียดประหนึ่งถนนทอดลงไปสู่ตำแหน่งหนึ่งในระหว่างหน้าผาของภูเขาหินอันทอดเข้ามาบรรจบกันสองลูกและเส้นทางนั้นก็ดูเหมือนจะถูกตัดชงะงักให้สะดุดกึกอยู่ตรงนั้นเองโดยมีถนนหินครุขระเกิดขึ้นใหม่มีระดับที่สูงขึ้นมาจากเส้นทางเดิมของมันกองพูนศูน สูงจากระดับอันน่าจะเป็นระดับปกติราว1สิบหลาบางส่วนของเส้นทางที่เครี้ยงเกลาก่อนจะไปพบจุดสะดุดชะงักเรากับมีใข่โกหินมากมายกายกองลงมาทับถมในวัยนั้นก็ยังมีเศษก้อนหินกลิ้งอยู่กระจัดกระจายกระดาษเกเรียนไปหมดอนุชาและหนานอินยังอยู่ยังตำแหน่งต้นทางที่ถูกกลบนั้นโดยอนุชาขึ้นไปยืนเด่นอยู่บนก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่ง โบกมือเรียกพักพวกมาส่วนนันอินกําลังแหงหน้ามองสํารวจขึ้นไปยังหน้าผาทั้งสองด้านของช่องเขาที่อยู่ในลักษณะเกือบจะเบียดเข้ามาประชิดกันอะไรกันนั่นเสียงเชิดถาร้องเบาๆยังไม่เข้าใจอะไรนะถึงดาเรียนและชัยยันก็ยังไม่อาจอ่านสิ่งใดออกในบัทนี้เช่นกันต่างวิ่งเหาะๆตรงเข้าไปยังอดีตพรานชดท่อนทันทีด้วยสีหน้าตืต่นเต้น พอถึงอนุชาเขาก็กโดดลงจากก้อนหินที่ขึ้นไปยืนอยู่บุ้ยป่าให้พักพวกดูไปยังหน้าผาประชิดทั้งสองด้านดูออกไหมว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปจากธรรมชาติอันเป็นตัวเดิมของมันผิดไปอย่างมากมายเสียด้วยแม้ทุกคนจะไม่เคยผ่านมาก่อนก็ตามแต่ร่องรอยใหม่ๆของมันน่าจะชี้ได้ชัดเชิถาดารินและชัยยันเพ่งภูมิประเทศนั้นทันที กว่าตาสำรวจไปรอบๆโดยเฉพาะเนินสูงเต็มไปด้วยก้อนหินรหลากับใครขนใส่รถ ด, ดำสักหนึ่งหมื่นคันแล้วโกยลงทิ้งถมไว้อย่างลวกๆโดยทับลงมาบนช่องและขนทางเดิมที่เป็นแนวมาตลอดแม้แต่ก้อนหินที่อนุชาขึ้นไปยืนอยู่และเพังโ ด, ดลงมาหยกๆนี่ก็เป็นหินที่พังจะหลุดออกจากที่เคยอยู่เดิมของมันอย่างใหม่ๆโดยกลิ้งมาตั้งอยู่ตรงนั้นรอยหักแตกรอยร้าว และกองละเอียดยุ่ยเป็นฝุ่นของเศษหินเปราะปกคลุมไปทั่วเอนี่มันลักษณะของหน้าผาทั้งสองด้านที่ยันประชิดกันอยู่มันถล่มลงมานี่เชษฐาอุทานขึ้นอย่างพิสวงเต็ไมไปด้วยความคิดหนะักพร้อมกับกล่าวเหมือนรำพึงกับตนเองต่อไปก้อนหินที่เห็นทับเส้นทางเดิมจนเกิดเป็นเนินใหม่ขึ้นมานี้น่าจะเป็นหินที่ล่วงลงมาอย่างมากมายรอกระเพิดดินไหวทีเดียว หล่นลงมากรบเส้นทางเดิมถูงท่วมสูงไปหมดลักษณะก็ดูยังใหม่ๆอยู่ไม่ใช่เกิดมานานนมแล้วครับยังใหม่ๆอยู่แต่จะสักกี่วันแน่นอนนั้นบอกไม่ได้เส้นทางนี้ผมกับลุงอินเคยผ่านกันมาแล้วโดยเฉพาะลุงอินแกเคยผ่านแทบจะตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปมาอยู่แถบนี้ของแกนั่นแหละอนุชาเอ่ยขึ้นแผ่วตาสีหน้าเคร่ง แต่เดิมทีนั้นจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่เราเดินกันมานี่แหละโดยตัดผ่านเข้าไปในช่องเขาเป็นช่องแคบๆขนาดไม่เกินสิบหลาเหมือนใครมาตัดเส้นทางของภูเขาใหญ่ไว้ให้เดินก่อนจะพ้นออกไปจากแนวขนาบของภูเขาทั้งสองด้านแต่เดี๋ยวนี้เส้นทางเก่านั้นมันถูกหินจากหน้าผาทั้งสองด้านถาลม่มลงมากรบเสียแล้วทับทางเดิมจนภูนสูงขึ้นมา ชายยันผิวปากยาวโร่ o อ e ม s ล v e n ว่ามันถล่มลงมากรบช่องทางนี้ก่อนหรือหลังที่กระบวนของระพินกับกระเรียงอพยพเหล่านั้นจะผ่านมาอนุชามเมมริมฝีปากเงยขึ้นไปดูหน้าผาสองฝั่งอีกครั้งพึมพำใครจะบอกได้ว่าก่อนหรือหลังหรืออาจจะอยู่ในระหว่างที่คณะของระพินเดินอยู่ในช่องทางคับขันนี้ก็ได้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังก็แปลว่าเรียบร้อยไม่ว่าจะสักกี่คนก็ตามถูกฝังอยู่ภายใต้เนินหินที่เกิดขึ้นใหม่นี่แหละกรบสนิมมิดชิดยิ่งกว่าฝีมือของสเ ป, ปรเรอคนไหนในโลกจะทำได้ไม่ต้องไม่เป็นอย่างนั้นแน่ดารินร้องออกมาเสียงหลงแล้วหลอนก็ทลาวิ่งเข้าไปที่ปากทางหินถล่มนั้นก้มลงสำรวจดูลักษณะก้อนหินที่ล่วงลงมาทับโถมอยู่ พี่ชายทั้งสองและเพื่อนเดินตามเข้ามาด้วยหลอนพิจารณาด้วยดวงตาเบิกโพรงและหยิบ อ, อกเุเศษหินมบางๆแผ่นหนึ่งชิ้นขนาดเคืองกว่าฝ่ามือเล็กน้อยขึ้นมาตรวจ ด, ดูทดลองเคาะลงที่ก้อนหินใหญ่ปรากฏว่ามันแตกกระจายเป็นฝุ่นขึ้นมาอย่างง่ายๆหินเปราะหล่นล้องขึ้นอีกครั้งเป็นหินประเภทหินปูนทั้งนั้นที่ท่วมทับทางอยู่นี่แล้วราสกุลสาวก็นิ่งงันไป จ้องมองนิ่งไปยังถนนครูขระต่างระดับกันที่ยืนอยู่อันเปรียบเสมือนเนินสูงขวางอยู่เบื้องหน้าบัดนี้พวกลูกหับตามมาทันแล้วทุกคนปรุงของลงชั่วคราวแง้มมองถนนที่เกิดมายัางตะลึงงงซุบซิบกันเบาๆอนุชาดีดนิ้วแรงๆเป็นสัญญาณเรียกครูพรานครูชีพของเขาที่กำลังยืนเท้าเอวแง้มหน้ามองไปอีกอยังฝั่งหน้าผาซ้ายมืออยู่พแกหันมก ก็กระดิกนิ้วเรียกหานอินเดินช้าๆเข้ามารวมกลุ่มด้วยลุงอินบอกในายใหญ่จิว่าทางตอนนี้แต่ก่อนมันเป็นยังไงหรือว่าลุงอาจนามาผิดทางเป็นที่ใหม่ที่เราไม่เคยพบกันมาก่อนพรานอินเอาชายผ้าเข่าม้าที่เคียนเอวอยู่ยกขึ้นถูนหน้าพรานชดลุ้นหนีนะว่าหลานหลานอินนาไม่ผิดเพราะตัวเองก็เคยผ่านซอกเขาแคบๆนี้มาก่อน แกเหลือบตามองหน้าเชิฐ้าด้วยเขาหน้าสงบยากจะอ่านความรู้สึกภายในทางตอนนี้มันเหมือนช่องเขาขาดตัดไปนในระหว่างเงื้อมเขาสองฝั่งเป็นช่องทางเดินกว้างแค่ห7เจ็ดวายาวรวมสองวาเห็นจะได้ถึงจะไปโผล่ออกปลายทางด้านโน้นออกที่โล่งตามเดิมร้อยวันพันปีทางตรงนี้มันก็เป็นอย่างที่นานอินบอกนี่แหละนายไม่เคยเปลี่ยนแปลง นานอินเดินผ่านตั้งแต่นหนุ่มจนแก่ผ่านมาคราวนี้มันก็แปลกอยู่พระรามสั่งให้อนุมาหเอาหินมาจองถนนทับทางเดินเดิมให้เป็นเนินสูงขึ้นเสียแล้วก็ไม่ใช่หินที่ไหนหรอกเป็นเปลือกหินที่เคยงอกอยู่ตามหน้าผาทั้งสองข้างนี่แหละที่มันร่วงลงมากรบไม่มีพระรามองค์ไหนหรืออันุมานตัวไหนมาจองถนนสายใหม่นี้ขึ้นหรอกลงอินนอกเสียจากว่ามันจะต้องมีอำนาจอะไรสักอย่าง มาสั่นสะเทือนให้เปลือกหินด้านนอกของหน้าผาทั้งสองข้างร่วงร่นลงมาแทบจะต้องเป็นแรงสั่นสะเทือนมากทีเดียวเชษฐาพูดครึ้มๆเริ่มใช้กล้องส่องตามถือพื้นหน้าผาที่เห็นเกลี้ยงเกลาเหมือนถูกอะไรมาถากทางรี่ร่อนโคดแงของหินออกมันเคยอันเคยเอันเคยประดับอยู่ตามธรรมชาติเพื่อกวาดให้ลงมากองสุมทับเบื้องล่างจนเต็มไปหมด ลุงอินกับกลางลองช่วยกันคิดให้ดีสิมันจะมีอะไรบ้างที่สามารถทําให้หินเหล่านี้พังทลายลงมาได้แม้ว่ามันจะเป็นหินปูนเปราะๆอย่างที่น้อยว่าก็ตามอดีตพรานชดหันไปหาหรือซุบซิบอยู่กับนานอินอีกครั้งครู่หนึ่งก็หันมาทางพักพวกลักษณะของเขาคลางแคลงไม่สู้จะแน่ใจนะแต่เดิมทีนั้นถ้าเราเดินผ่านมาถึงเส้นทางนี้จะแลเห็นหมู่หินน้อยใหญ่เต็มไปหมดสองฝั่งผา และอหินที่งอกพราวอยู่ทั่วไปนั่นเองมันถลม่มลงมาปิดทางเดิมกลายเป็นเส้นทางใหม่ขึ้นมาผมไม่เชื่อว่าพายุจะเป็นตัวการเพราะช่องนี้เป็นช่องทางอับลมต้นไมอน้อื่นๆในละแวกใกล้เคียงที่เราผ่านมาก็ไม่เห็นมีรอยถูกพัดโค่นอย่างใดทั้งสิน้นมันก็มีอยู่จุดหนึ่งครับที่น่าสงสัยอยู่แต่ผมยังนึกไม่ออกว่าไอจุดนั้นถ้ามันเป็นต้นเหตุมันจะเกิดขึ้นจากอะไรจุดอะไร เชษถาชัยยันและดารินถามขึ้นพร้อมกันอนุชาลดกล้องลงกระดกลิ้นออกมาเกลียริมฝีปากอาการของเขาแสดงความยุ่งยากใจและคบคิดไม่ตกรวมทั้งประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งต่อมาก็ชี้มือไปทางหน้าผาฝั่งซ้ายมือตรงตำแหน่งนั้นสูงลิบขึ้นไปเห็นบริเวณที่เป็นแว่นขาวเวอร์ขนาดใหญ่ต่ากว่าระดับช ง, งอนที่โผล่สูงขึ้นมานั่นไหมครับพี่ใหญ่ เชพถาใช้กล้องของตนเองส่องตามชี้ๆบอกแล้วครางฮึมทำไมหรือแต่เดิมทีตรงนั้นเป็นภาพมหัศจรรย์น่าดูมากสำหรับผุผาช่องทางเดินแคบๆนี่มันมีก้อนหินใหญ่มาหึมาอยู่ก้อนหนึ่งลักษณะเหมือนลูกตุ้มตั้งอยู่อย่างมีนเมย์ตรงนั้นเดิมทีคงจะเป็นหินใหญ่ทั้งแท่งการเวลาผ่านมาสักกี่หมื่นปีแล้วไม่ทราบกระแสลมที่พัดผ่านอยู่ตลอดเวลา ทำให้หินก้อนนั้นมีฐานคอดกิวลงไปทุกวันจนกระทั่งในที่สุดมันก็กลายเป็นภาพมหัศจรรย์ที่ผมว่าตะกี้คือส่วนบนใหญ่มงหึมาตั้งอยู่อย่างหวาดเสียวไม่มีสมดุลโดยมีแกนกลางที่ถูกพายุพัดกลอนเชื่อมติดอยู่นิดเดียวใครผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้จะต้องรู้จักเคยเห็นกันทุกคนพวกชาวป่าแบะแถบนี้ก็เห็นกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษหลายชั่วคนมาแล้ว จะดูหวาดเสียวสักเพียงไรมันก็ยังตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยยังไม่หลุดขาดลงมาถ้าใครจะเฝ้าจับเฝ้ากรอคอยอยู่ว่าเมื่อไรหินก้อนนั้นจะขาดออกจากแกนที่กร่อนกิ่วล้เหลืออยู่นิดเดียวนั้นหักสะบันเพื่อจะเห็นหินใหญ่ขนาดตึกนั้นขาดกริ่งตกลงมาก็อาจเป็นการเฝ้าคอยตลอดชีวิตก็ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าถึงเวลาของมันจริงๆโดยมันเกิดขาดลงมา ขนาดน้ำหนักอันใหญ่โตโมโหรานของมันที่กลิ้งกระแทกลงมาตามลำดับจะกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนอย่างมหาศาลใกล้เคียงกับแผ่นดินไหวทีเดียวหากเรามายืนกันอยู่ตรงนี้และแรงสั่นสะเทือนนั่นแหละจะทําให้หินเปราะรอบด้านพลอยหลุดถล่มกล่าวตามกันลงมาด้วยนี่เป็นเฉพาะความคิดของผมเท่านั้นเท็จจริงของเหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นอย่างไรก็บอกไม่ถูกเพราะเราไม่เห็นกับตาแต่ที่แน่ๆก็คือ หินใหญ่คอดกิ่วจะขาดมีขาดแหลก็ น, นั้นขณะนี้หายไปแล้วแสดงว่ามันขาดหลุดลงมาจริงๆและคงจะลงไปอยู่ตรงกลางเส้นทางอันถูกกลบนี่แหละร่องรอยของหินถล่มมันก็สดๆร้อนๆแม้จะไม่ใช่วันนี้หรือวันวานแต่อย่างมากก็คงเป็นไม่เกินหนึ่งเดือนมานี่เองอนุชาพูดอย่างเช่มชา้าชัดเจนทุกคนสดับฟังเขาอย่างตั้งอกตั้งใจเดี๋ยวๆกลางขอทบทวนในสิ่งที่แกพูดสักนิด ชัยันกล่าวขึ้นโดยเร็วพร้อมกับยกมือขึ้นก็บอกว่ามีหินโคลนกิ่วก้อนโตเดิมเคยอยู่บนหน้าผาที่สูงนั่นลักษณะจะขาดมิขาดแหละเพราะลมพัดผ่านกัดกร่อนฐานของมันให้เหลือกิ่วคอดจนดูแลเป็นที่หวาดเสียวและเห็นกันมานานแล้วใช่ไหมอนุชาก้มหัวลงงึกหนึ่ง ใช่ถามนานอินหรือพวกคนป่าทุกคนที่เคยเดินผ่านเส้นนี้จะรู้จักหินก้อนนี้ทุกคนเพราะก่อนจะผ่านเส้นทางแต่ละคนจะต้องทำความเครกบนบานเขาอย่าให้มันขาดลงมาตอนที่เขาผ่านไปเลยเนื่องจากเส้นทางขเข้าช่องแคบบีบบังคับให้อยู่ระหว่างแนวบีบขนาบของหน้าผาทั้งสองด้านนี่พอดีส่วนมากเท่าที่รู้ๆกันพวกนั้นพวกชาวป่าทุกเผ่ามาที่นี่จะทาเสียงโหร้องขึ้น ดิมิฉินั้นก็ยิงปืนสรุดขึ้นนัดหนึ่งเป็นการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมาครั้งปู่ย่าตาทวดหลังจากนั้นจึงเดินผ่านช่องเขากันไปฉันเองกับลุงอินก็ทําแบบมิทุกครั้งแต่ถ้าจะวินิจฉัยตามหลักของกลศาสตร์ฟิสิกส์ก็คือต้องการให้เสียงตะโกนหรือเสียงปืนที่ดังออกไปนั้นเป็นคลื่นอากาศทดสอบดูเพราะคลื่นเสียงก็มีอิทธิพลพอที่จะเกิดการสั่นสะเทือนได้เหมือนกัน สมัยก่อนนี้ฉันเคยมายืนตะโกนกูอยู่ที่นี่ปรากฏว่าเสียงที่ร้องออกไปนั้นมันสะท้อนกล้องกลับไปมาเหมือนมีคนมาขานรับสักสิบสิบคนแววไปทางทุกมุมทุกซอกทั่วไประบบเสียงแอคโคที่นี่มหัศจรรย์มากว่าแล้วอนุชาก็ตะโกนขึ้นสุดเสียงว่าระพินเสียงคำว่ารบพินของอนุชาแจ้กลางวานไตระดับสูงลิขึ้นไปล้อเลียนกันอยู่ไปมา และเลือกเข้าไปสู่ปลายทางอันไม่จบสิ้นอึดใจใหญ่ทีเดียวกว่ามันจะจางห่างหายไปในที่สุดอนุชาบอกต่อมาว่าเห็นไหมมันสะท้อนกล้องอย่างนี้แหละแต่ก่อนนี้มันจะกังวานกว่า น, นี้อีกมากนะเพราะหินละเกะละกะเหล่านั้นร่วงลงมาหมดแล้วเช่นนี้ความกังวานของเสียงก็จะน้อยลงไปด้วยชาวป่าเรียกหน้าผาทั้งสองแห่งนี้ว่าผาผีร้อง คือตะโกนทีไรมีเสียงดังตอบล้อมาทุกทีอืมเป็นบริเวณที่แปลกตาดีอีกแห่งหนึ่งทีนี้แกว่าถาหินก้อนนั้นมันขาดจเกกะลอยกิว่วและร่วงหล่นลงมามันก็จะเกิดความสั่นสะเทือนแรงมากพลอยพาให้หินประอื่นๆที่งอกอยู่ทั่วไปของหน้าผาถล่มร่วงกันมาทั้งหมดงั้นใช่ไหมชยันซักต่อไปใช่เพียงก้อนใหญ่ก้อนนั้นก้อนเดียวเท่านั้นที่เริ่มแตกกิ้งกระแทกลงมา หินบริวารอื่นๆจะพลอยหลุดล่วงตามกันเป็นมันเป็นหินเปราะอย่างน้อยก็อย่างที่น้อยพิสูจน์แล้วและเมื่อหินก้อนอื่นๆล่วงมันก็จะเกิดพลังทับทวีสะเทือนหนักขึ้นทุกทีเบิ้ลขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เกิดถล่มติดตามกันมาเป็นการใหญ่เป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องแบบลูกโซ่เชกถาดารินและชายยันเริ่มมองเห็นอะไรขึ้นมาบ้างตามคาพูดของอนุชา พี่กลางคะถ้าเป็นอย่างที่พี่กลางบอกมันก็จะมีโอกาสเพียงหนึ่งในหลายๆ ห, หมื่นล้านที่หินก้อนนั้นจะถึงการหักจะบ้านลงมาเพราะมันอยู่ที่นั่นมานานแสนนานแล้วจะมาขาดล่วงลงมาเร็วๆเร็วๆนี่เองหรือก้นนี่นะสิมันถึงเป็นเรื่องน่าคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นหมื่นๆปีอยู่มาได้แต่ดันเสือกมาขาดหล่นพลอยให้คะ หินทั้งหมดถลนตามลงมาด้วยเมื่อเร็วๆนี้เองแต่ถึงอย่างไรถ้าการเวลาของมันมาถึงมันก็ย่อมถึงอวสารขาดร่วงลงมาอยู่ดีนั่นแหละเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ในระยะมื่นหมื่นแสนแสนปีเท่านั้นกระพินกับพวกของเขาคงไม่แจ็คพอร์ตเดินผ่านเจนทางเอาในขณะที่หินก้อนที่เธอว่าขาดลงมาพอดีนะหรื อ, อยังไงพี่ชายใหญ่กล่าวแผ่วเบา ถ้าโดยไม่ได้เกิดเพราะเหตุอย่างอื่นมาทำให้หินก้อนนั้นต้องขาดลงก่อนเวลาอันควรแต่มาขาดล่วงเอาในขณะที่เาพินกับพวกคาราวานของเขาผ่านมาพอดีก็ต้องนับว่าเขาโชคดีอย่างมหาศารชนิดบอกไม่ถูกทีเดียวเพราะจังหวะที่ประจวบเหมาะกันพอดีแบบนี้ตายแล้วเกิดมาอีกพันชาติก็ยากนักจะฟรุกมาเจอเข้าคาพูดของอนุชาก็มีเหตุผลอยู่ แต่ในขณะนี้ทั้งคณะรวมทั้งตัวผู้พูดเองก็มาเผชิญปัญหาให้ต้องขบคิดหนักอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเป็นปริศนามืดมนไปหมดต่อปัญหาที่ว่าคณะของระพินจะผ่านมาตามทางเส้นทางนี้จริงหรือไม่ไม่มีข้อแม้ให้สงสัยต่อไปทั้งอนุชาและนานอินยืนยันอย่างแน่นอนว่าระพินได้นาคณะนายจ้างและกะเรียงอพยพทั้งหมด ผ่านมายัางเส้นทางนี้โดยไม่มีข้อต้องสงสัยทว่าหินมันถลม่มลงมาตอนไหนขณะที่เขาผ่านมาพอดีหรือภายหลังหรือก่อนหน้าหรือนี่คือตัวปัญหาที่นาวาดบิตกที่สุดก็คือทั้งขณะรู้ดีว่าฝ่ายของรพินที่ล่วงหน้าไปก่อนนั้นเผชิญกับการก่อกวนลังขวานประสงค์ร้ายจากมันไตรและโขงช้างผีสิงของมันตลอดเวลา ที่จะดักเข็นฆ่าสร้างความย่อยยับให้มันก็ย่อมอาจเป็นได้เหมือนกันที่คณะของเขาทั้งหมดจะมาพบจุดจบเอาภายใต้กองภูเขาถล่มนี้ด้วยอำนาจลึกลับของไอ้มนุษย์ผู้เต็มไปด้วยความอาฆาตามา ร, ร้ายสำแดงตนเป็นศัตรูก่อนซึ่งสามารถบันดาลมาได้ในรูปแบบต่างๆขยินเป็นอีกคนหนึ่ง ที่ยืนยันกับดารินว่าลักษณะเดิมของมูภูมิประเทศในช่องเขาเป็นไปตามที่อนุชาและนานอินบอกไปทุกประการเพราะมันก็เคยผ่านและรู้จักดีโดยเฉพาะก้อนหินใหญ่ที่โคนกิ่วขอดก้อนดังกล่าวซึ่งวันนี้ปราศนาการไปจากตำแหน่งที่มันเห็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าพรานใหญ่กับพวกนั้นผ่านเข้าช่องเขาตอนภูเขาถลม่มก็ไม่ต้องไปตามหาให้เสียเวลาอีกแล้ว นายหญิงอยู่ใต้กองหินนั่นแหละที่สุมกันสูงเป็นภูขเขาเลาวกากันนั่นแหละเจ้านักเลงโตหล่มช้างบอกเฮาเฮาแต่ช้างเสียงไม่เป็นสุขหน้าของเขายินเหี่ยวลงเห็นชัดเสียงช้างร้องกังวานก้องขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกระดึงที่ล่านโกรเกเรกนั่นคือเจ้าด้วนซึ่งแน่ละบัดนี้มันไต่ขึ้นมาไปบนเนินถนนสูงสายใหม่ แล่คงจะไปหยุดยืนรออยู่บนนั้นพร้อมกับส่งเสียงเหมือนจะให้สัญญาณเรียกมาดารินไต่ขึ้นไปบนกองหินที่ถล่มนั้นทันทีทำให้เพื่อนและพี่ชายต้องไต่ตามขึ้นไปด้วยเป็นแนวทางของกองหินที่ล่วงลงมากรบคร่อมท่าผลทางสายเดิมซึ่งจมลึกอยู่เบื้องล่างและเต็มไปได้วยความครุขระเหมือนใครเอาหินมาโมกองไว้ยังไม่ได้เกลี่ยให้มีระดับเสมอราบเรียบ แต่มันก็เป็นทางที่จะอาศัยเดินไปได้แม้จะไม่สะดวกนักก็ตามพอไต่ขึ้นไปถึงระดับกองหินถลมหลนก็มองเห็นเจ้าด้วนยืนแกว่งงวงหันหน้ามาทางหล่อนพร้อมทั้งใบหูที่ว่าอยู่พุกทพับแต่ก็ไม่แสดงกิริยาอื่นใดที่ผิดสังเกตไปนะบัดนั้นเองกระแสะลมก็หวนตลบมาดารินทำจมูกฟุดฟิตนาค้าประสาทอันเชียบใบของหลอนสัมผัส ก, กับกลิ่นเน่าจางๆลอยลงมากระทบ แต่หลอนบอกไม่ถูกว่ามันมาจากไหนสูงขึ้นไปบนยอดหน้าผาด้านบนลึกกลิ่นระเหยดัขึ้นมาจากก้อนหินถล่มเบื้องล่างกันแน่หญิงสาวหยุดชะงักอีกครั้งและคนอื่นที่ตามขึ้นมาก็ได้กลิ่นเน่านั้นพร้อมกันทั้งหมดยังไม่มีใครพูดอะไรในขณะนั้นนอกจากจะมองหน้ากันระหว่างนี้นอกจากดารินแล้วทั้งเชษฐาอนุชาชัยยาและนานอินต่างปีนกันขึ้นไปอยู่บนกองหินถล่มนั้นหมดแล้วและยืนจับ ก, กลุ่มกันอยู่บนก้อนหินที่สุม พัเนินครุกระสุงสูงต่ำไปตลอดแนวทางระหว่างซอกเขานั้นขยินยังคุมพวกลูกหาวให้รอคอยอยู่ด้านล่างก่อนตามคําสั่งของนานอินดารินเดอร์ ม, มองลงไปที่ถนนหินที่หล่อนขึ้นมายืนทันทีเหมือนกับว่าจะให้ดวงตามองแทรกหินเหล่านั้นลงไปถึงเบื้องล่างอันหล่อนสงสัยอย่างประวัตใจเต็มที่ว่ากลิ่นเน่าจะระเหยขึ้นมาจากกองหินนั้น อนุชาและพรานคู่ใจก็ก้าวตายเดินไปตามแนวหินกองหินที่อย่างช้าๆพยายามสำรวจตามช่องเท่าที่สายตาจะมองลงไปได้อันเนื่องมาจากแต่ละก้อนใหญ่น้อยขนาดต่างๆกันนั้นกองสมุมอยู่หลุมหลวมไม่ได้อัดแน่นอย่างใดทั้งสิน้นตามธรรมชาติของการหล่นร่วงลงมาซ้อนทับกันอย่างปราศจากระเบียบ คงมีเชิฐาและชายันเท่านั้นที่ยืนขโมดคิ้วนิ่งอยู่กับที่พยายามสูดหากลิ่นสีหน้าของทุกคนยามนี้เคร่งเครียดเห็นชัดเอมันพิลึกอยู่นะในที่สุดเชิดาก็กระซิบออกมาเบาๆแกว่ากลิ่นมันมาจากไหนใต้กองหินที่เรายืนอยู่นี่หรือชยันถามแผ่วเบามันไม่น่าสงสัยอย่างนั้นหรอกหรือหินที่หล่นถล่มลงมากรบทางเหล่านี้ ถึงแม้จะสูงท่วมขึ้นมามากกว่าจริงแต่มันก็เป็นการโถมทับอย่างหลมหลวมมีหินใหญ่หินเล็กคาเกยและยันกันอยู่มันจะต้องมีลักษณะโปร่งพอสมควรพอเป็นช่องทางให้กลิ่นละเหยขึ้นมาได้ถ้าหากว่ามีศพจำนวนมากๆถูกทับอยู่ข้างใต้พี่ใหญ่ของคณะพูดอย่างพยายามออมเสียงมากที่สุดและมองไปทางด้านน้องสาวเลกซึ่งบัดนี้กระโดดไปตามแง่หินถล่มเหล่านั้น ตามหลังอนุชากับนานอินไปยังร้อนใจแล้วก็เห็นหล่อนลงทุนค่อยๆสุดลงนอนคว่ำพังภาพกับกองหินเหล่านั้นยื่นหน้าลงไปทางโพรงช่องโหว่ตอนหนึ่งพยายามจะสูดหากลิ่นเชษฐาสกิจชา ย, ยานให้ไต่ตามไปจนถึงตัวน้องสาวทางที่เกิดที่เกิดใหม่สายนะั้นถึงแม้ว่าเดินกันไปถึงจะเห็นเป็นแนวทางตลอดลง แต่มันก็ไม่สะดวกนะักเพราะพื้นครุขระมากที่สุดต้องหาแง่หินเหยียบพยุงกายกันไปอย่างระมัดระวังมิฉะนั้นเท้าอาจแผลหรือถลําลงไปในซอกของหินแต่ละก้อนที่กองซ้อนกันอยู่ก็ได้และเมื่อยิ่งปีนไปกันขึ้นมาเดินอยู่บนเส้นทางนี้ก็ยิ่งแน่ใจได้ว่ามันเป็นลักษณะของก้อนหินภูเขามากมายที่เพิ่งจะถล่มลงมาเมื่อไม่นานนี้นักแน่นอน มีกลิ่นแล้วเหยขึ้นมาจากด้านล่างหรือน้อยชายยันถามต่ําๆดาวรินเม็ดนิมพิกะหลอนฟองท่าอยู่ตรงนั้นอึดใจเขาน่าเชงงแล้วยันกายลุกขึ้นสันชิษะไม่ใช่นะกลิ่นมันไม่ได้มาจากช่องพโพรงหินด้านล่างนี่เลยเช่ยถามมองไปเบื้องหน้าเห็นอนุชากับนานอินกําลังเดินเลี้ยวไปตามก้อนหินใหญ่น้อยที่สุมพนเนินอยู่แล้วตะโกนถามได้กลิ่นทั้งไหนแน่เป็นไปได้ไหมกลิ่นศพที่ถูกกรบอยู่ด้านล่างโชยตลบขึ้นมา ทั้งอดีตพรานชดและหนานอินโบกมือสายไปมาเชิงปฏิเสธแต่ไม่ได้ตอบอะไรมาในขณะนั้นและทั้งสองก็ซุบซิบอะไรกันอีกแงนมองขึ้นไปบนหน้าผาสูงริฟซี่ซ้ายซึ่งประมาณสามในสี่ช่องส่วนของหน้าผานั้นกียังกล่าวเนื่องจากผิวของหินที่เกาะอยู่ร่วงลงมาอยู่เบื้องล่างแต่ส่วนที่สูงขึ้นไปอีกหนึ่งส่วนจนถึงบริเวณยอดก็ยังมีแง่มุมเหลี่ยมของหนอหิน งอกอยู่เหมือนสภาพเดิมของมันแสดงว่าส่วนที่สูงขึ้นไปไม่ได้ล่วงลงมาอีกหรืออาจผสมลงล่วงลงมาบ้างก็เพียงส่วนน้อยเท่านั้นอนุชายกกล้องสองทางไกลที่คล้องคออยู่ขึ้นส่องตรวจทําให้ทุกคนเงยตามบ้างก็อมองด้วยตาปลาบ้างก็ใช้กล้องประจําตัวแต่เป็นการตรวจดูคนละมุมเนื่องจากยืนห่างกันออกไปพี่ใหญ่ครับรู้สึกว่าจะมีอะไรน่าคิดอยู่บนนอหินที่งอกพราวอยู่ บนบริเวณใกล้ส่วนยอดของหน้าผานั่นอะไรเชิถามองดีจาเปล่ายังไม่เห็นอะไรฝูงแรงครับมันเกาะเต็มอยู่ตรงซอกหินเหนือตำแหน่งที่เห็นเป็นบ่อขาวเวอร์ตรงที่ผมชี้ให้ดูแต่แรกโนนจะมีซากอะไรตายคาอื่นอยู่ตรงนั้นแต่ยังไม่เห็นถนัดเพราะเรียมหินบงังศพคนหรืออะไรไม่ น, น่าจะเป็นคนหรอกครับเพราะขนาดมันใหญ่เหลือเกิน ทุกคนรอผมอยู่เรือนนั้นก่อนได้ไหมผมกับลุงอินจะปีนขึ้นไปดูให้เห็นชัดๆกิอนเหน่าโชยลงมาจากซากนั่นแน่ๆจะจะปีนขึ้นไปดูใช้ยันร้องไม่มีทางอะไรจะแก้สงสัยและเข้าหาความจริงเพื่อเหตุการณ์ได้ดีไปกว่านี้จะขึ้นไปได้ยังไงมันชันเหลือเกินไม่มีแง่หินที่เกาะได้ถนัดเลยแล้วมันก็สูงมากด้วยเชิฐาแย้งมา ไม่เป็นไรครับผมกับลุงอินปีนขึ้นไปได้ทำไมงั้นเราก็สงสัยงงไปหมดอยู่นี่เองยอมเสียเวลาหน่อยไม่นานนักหรอกตกลงจะขึ้นก็ขึ้นแต่ระวังหน่อยนะทั้งสองคนวางไรเฟื่อและถอดเครื่องหนังออกเสียก่อนจะได้ไม่เกะกะหรือทวงหนะักพี่น้อยและชายันจะคุมให้ข้างล่างนี่เองเพราะแนวทางโล่งมองเห็นได้ตลอด เมื่อได้รับอนุญาตอนุชากับนานอิน ก, ก็โปรดเครื่องหลังและวางไรเฟื่ลงทันทีเชษฐถาชัยยานและดาลินไตก้อนหินตรงไปยังตำแหน่งนั้นเพื่อจะได้มองเห็นภาพการเคลื่อนไหวของอนุชาและนานอินได้ถนัดโดยไม่ยอมให้มีมุมไหนรับตาแล้ก่อนที่ทั้งสามจะเข้ามาถึงทั้งอนุชาและนานอิน ก, ก็ปีนกันขึ้นไปตามแก่งแง่งหินอันสูงชันนั้นแล้ว อย่างชำนาญเสียงชยันตะโกนร้องเตือนไล่หลังขึ้นไปว่าถ้าขึ้นไปได้ก็ขึ้นนะเห็นทางตอนไหนมันเกินความสามารถก็อย่าพยายามหยุดอยู่เท่าที่ขึ้นไปได้กันแล้วกันเราจะติดต่อกันทางวิทยุทางด้านนี้จะคุมไว้ให้เองถ้าอะไรที่คิดไปไม่ถึงมันโผล่มาจากซอกหินข้างบนโน้นอดีตพรานชดกับพรานครูปู้เท่าค่อยๆแสวงหาทางไต่สูงขึ้นไปตามลำดับ เชิฐาดารินและชายันยืนแงน้มมองอยู่ตลอดเวลาและดับความกรลงกระไว้ได้บรุรีกลิ่นเน่านั้นบางครั้งก็ขาดหายไปบางครั้งก็โชยรุนแรงขึ้นกว่าที่ได้กลิ่นครั้งแรกสุดแต่อาการพัดของลมทั้งคู่ใต่เขาอย่างคล่องแคล่วแต่ก็ระมัดระวังทุกอิริยาบทที่คืบสูงขึ้นไปและสูงขึ้นไปตามลำดับดารินกระสับกระสายอยากจะปีนตา่างขึ้นไปกับพี่ชายกลางด้วยแต่พี่ชายใหญ่ดูม อย่ากกับเพื่อนดูจะอ่านใจออกกดไห่ไว้นั่งพักตรงนี้แหละน้อยสองคนนั่นขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่ามันเป็นซากอะไรที่ติดคายอยู่นู่นเธอไม่จำเป็นจะต้องปีนขึ้นไปให้เสียงและเหนื่อยแรงเปล่าหรอกจากคำปรา์นั่นเองล่าสกุลสาวจึงถอนใจยาวสุดกายลงนั่งกับแง่หินใหญ่ก้อนหนึ่งที่หล่นลงมาทับโถมทางขณะนั่นเองขยินก็กูกโวกร้องถามขึ้นมา เชษฐาจึงตัดสินใจบอกให้พวกนั้นไต่ขึ้นมายังถนนสายใหม่นี้ด้วยเพื่อให้มองเห็นพร้อมหน้ากันหมดทางออกไปราวสามสิบหลาเจ้าด้วนก็ยังคงยืนสงบเหมือนจะรออยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้เดินย้อนกลับเข้ามาหาขยินนําลูกหาบทั้งห้าคู่ไต่ถนนสายใหม่ขึ้นมาอย่างลำบากยากเย็นแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามารวมกลุ่มกับนายจ้างกลิ่นโชยลงมาจากข้างบนแน่นายใหญ่เจ้านักเลงโตหล่มช้าง ที่ร่วมขวบวนมาด้วยบอกห้องห้าวกับเชิฐาพร้อมทั้งทีมือขึ้นไปยังตำแหน่งเดียวกับที่อนุชาได้กําหนดหมายไว้ก่อนซึ่งก็น่าจะเชื่อได้แน่นอนขึ้นไปอีกเพราะเรื่องระบบนาคารประสาทสัมผัสกลิ่นด้วยกันแล้วขยินขึ้นชื่อลือชาเป็นที่รู้กันมานานแล้วแม่ในชวนหัวหน้าลูกหาวเองก็ยืนยันเช่นกันทุกคนได้แต่รอผลจะรายงานผลจากอนุชา และนานอินที่ไตสูงขึ้นไปตามลำดับนั้นดารินอัดควันบรีแดงมูบวูฟหลอนไม่วหยมองไปรอบๆตัวอันเต็มไปด้วยความครุขระของกองหินมหาสาลแวดล้อมแล้วก็มองตามพี่ชายกับพรานครู ป, ปู่เท่าสลับกันอยู่เช่นนั้นเชษฐาชัยยันก็พากันนั่งควักผ้านหนูจากอกเสื้อขึ้นมาเช็ดเหงื่อโดยนั่งกันอยู่ตรงบริเวณที่อนุชาและนานอินถอดเครื่องหลังกับไรเฟิลประจามือวางไว้ นิชามีนานล่างคนทั้งสองก็สูงห่างไปเป็นลําดับจนมองเห็นเท่าตุ๊กตาขนาดสูงไม่เกินคืบแล้วทั้งคู่ก็ลับหายเข้าไปในเหลี่ยมบางของหินที่เห็นงอกขวางบางตาอยู่ครั้นแล้วเสียงวิทยุทั้งสามเพื่องที่เปิดเตรียมพร้อมอยู่ด้านหลังก็แว่วเสียงตื่นเต้นของอนุชาลั่นมาว่าพบไอตัวต้นเหตุกลิ่นเหม็นเน่าแล้วครับแปลกมากมันมาหัวทิมงอก่อ ง, งอกขิงเน่าคาอยู่ซีซอกหิ น, นเอง ขณะที่แววเสียงอนดุดชามาจากเครื่องวิทยุทุกเครื่องทุกคนที่รอคอยอยู่ก็เห็นแรลมฟุงหนึ่งประมาณ20่สตบสามสบินว่อนดําอยู่เหนือบริเวณนั้นคงจะตกใจเห็นคนเข้าไปใกล้าพากันบินขึ้นแต่ไปไม่ไกลคงบินล่องชวาเฉวียนอยู่ตรงบริเวณนั่นเองอลาอท่านทูตฐานบกถามกดคีย์วิทยุมือถือของตนตะโกนถามสวนขึ้นช้างงาขนาดใหญ่ครับเข้าใจว่าถูกยิงหัวทิ่มลงมาคาแง่หินใกล้ๆ ก, ก, กับที่ผมยืนอยู่นี่เอง กำลังขึ้นเต็มที่ลักษณะตายมาแล้วสี่ห้าวันแล้วถ้าจะนานกว่านั้นก็ไม่เกินเจ็ดวันพิจารณาดูให้ดีซิว่ามันเป็นอะไรพี่ชายใหญ่สั่งขึ้นไปอย่างเร่งร้อนเสียงของด้านบนเงียบไปครู่ซากช้างถูกปืนจริงๆด้วยครับผ่ากลางกระโหลกชนิดสวนหน้าเลยลักษณะของมันพถูกปืนก็ซุดทะไลลื่นลงมาชนหินใหญ่ก้อนหนึ่งหลุด และเข้าใจว่าหินก้อนที่มันชนหลุดนั่นแหละได้กลิ้งลงมากระทบตรงรอยข้อกิ๋วของหินลักษณะลูกตุ้มดังได้บอกแล้วทำให้ขาดล่วงลงไปพลอยพาให้หินบริเวณด้านต่ำทะลอนไปกรบทางด้านล่างหมดจากการตรวจสอบร่องรอยนี้เข้าใจว่าสันนิษฐานไม่ผิดแน่เสียงอนุชาตอบลงมาอย่างมั่นใจที่สุดแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงช้างตัวนั้นแต่เดิมอยู่ไหนใครขึ้นไปยิง ชา ย, ยันร้องถามขึ้นบ้างข้อนี้เดายากเหลือเกินลักษณะของหัวกระสุนที่เจาะทะลุเข้าโพรงน้ำเต้าบนหัวของมันแสดงว่าคนยิงจะต้องไต่ทางขึ้นมาประจันหน้าและยิงเอาอย่างใกล้ๆเกับจะเรียกว่าเผาขนทีเดียวคงไม่ใช่เพราะยิงมาจากช่องทางข้างล่างแน่เพราะทิศทางไม่ให้มีล่องรอยอื่นๆ อ, อีกไหมคะพี่กลางดาลินถามบ้างใจหล่อนยังอยากที่จะตามขึ้นไปดูให้ได้ บัตรนี้ผุดลุกผุดขึ้นยืนและแงหน้ามองขึ้นไปไม่มีหลักฐานอื่นๆให้สังเกตได้อีกเลยนอกจากจากช้างที่ติดคาอยู่กับแง่หินนี่เท่านั้นแต่ที่แน่ๆก็คือการถูกยิงของไอ้ช้างตัวนี้แหละเป็นผลให้มันชนหินก้อนหนึ่งลงไปกระทบหินก้อนสำคัญพลอยพาให้หน้าผาแถบด้านต่ำลงไปถล่มไปทั้งแถบเลยตัวการพบแล้วรออีกสักหน่อยได้ไหม จะขอไตถึงยอดเลยเผื่อจะพบวี่แววอะไรอีกประโยคลังอรุชาล้องขออนิญาตลงมาไม่ต้องกลางพอแล้วเธอกับนานอินกลับลงมาเดี๋ยวนี้เถอะแงนขึ้นไปดูบนท้องฟ้าเหนือหัวของเธอนั่นลักษณะมันพิกลอยู่นะเมฆดำมืดลอยหมุนเป็นเกลียวม้วนตัวเหมือนมังกรเล่นหางพี่คิดว่ามันกำลังจะเกิดพายุในไม่กี่อึดใจข้างหน้านี่แหละในซอกเขาข้างล่างนี่ลมพัดอู้แรงขึ้นทุกทีแล้ว เชษฐาสั่งขึ้นไปอย่างเร่งด่วนกระทันหันจริงดังพี่ใหญ่ของคณะบอกไม่มีผิดจากท้องฟ้าอันสว่างเจอจ้าอยูลัดหลัดบัดนี้ไม่ทราบเมฆดำลอยมาจากไหนแผ่เป็นเหมือนหมอกพระการปกคลุมเหนือบริเวณผาผีร้องอย่างรวดเร็วราวกับบรรดาลขึ้นด้วยเวทมนตร์ลกลักษณะของมันน่าพิศวงรละคนน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่เมฆดำอย่างเมฆฝน แต่เป็นเมฆหรือพิชนนั้นก็ศูนย์กลางของแหล่งพายุร้ายเพราะมันไม่ได้ลอยปกคลุมอยู่เฉยๆหากแต่ม้วนตัวเป็นเกลียวหมุนคว้างบดบังแสงตะวันทำให้มืดครึ้มลงในบัดดลและกระแสลมมันเคยสงัดก็เริ่มกันโชคคือคือเป็นระยะระยะฝุ่นละอองผงคลี่คล้งตลบไปหมดเสียงลมพัดลงมาในช่องเขาดังอู้ประเดี๋ยวอ่อนไปประเดี๋ยวกระนาหนักจนแทบจะยืนทรงตัวอยู่ไม่ติด เพราะยังไม่มีเสียงตอบรับคํามาจากอนุชาชัยยันพวกกาลังเอามือป้องหน้าบังฝุ่นอยู่ตะโกนกลอกลงไปในวิทยุสดเสียงเฮ้ย hey, กลางรีบลงเดี๋ยวนี้ขนาดข้างล่างนี่ก็ยังแทบยืนไม่ติดแล้วลักษณะเหมือนทอร์นาโดระวังจะถูกพัดปลิวหรือไม่ก็ถูกดูดขึ้นไปบนนรกคือท้องฟ้านโน่นโว้ยพายุหมุนมาแล้วโว้ยสภาพข้างบนระหว่างอนุชาและหนานอินซึ่งขึ้นไปดูซากช้างอยู่บนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในขณะที่ทุกคนมองไม่เห็น แต่เฉพาะด้านล่างเริ่มชุลมุนกันแล้วเสียงร้องเออะอโวยวายในหมู่ลูกหาดเมื่อถูกพายุประหลาดกระโชกฮือเข้ามาพร้อมทั้งหมุนเป็นเกลียวดูดเอาฝุ่นทุรดีและเศษหินเล็กๆให้เป็นงวงสูงขึ้นไปบนอากาศสัมภาระเข้าของมีค่าเหมือนจะถูกมือยักฉุดให้ดึงปลิวกระจัดกระจายขึ้นไปด้วยจนต้องตะครุบและยิตกันไว้เป็นพันละวัน หมอกควันของพยุตลบมัวมลไปหมดดารินถึงกับเซห ล, ลุดลงจากแง่หินที่ยื่นอยู่ลงไปหมอบกระแตอยู่ในซอกโพรงใกล้ๆเชษฐาชายันก็เพ่นออกจากที่เพื่อหลบที่กำบงังพร้อมจ้าตะโกนสั่งกํากับพยีได้พวกลูกหาทั้งหลายเสียงหลงไปหมดเพื่อให้เข้ากำบงังซอกหินขนาดใหญ่ไว้โวยวายชุลมุนกันไปทั้งคณะท่ามกลางเสียงวาตะที่คำคำลนอยู่เฟี้ยฟ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันธันดวนชนิดตั้งตัวกันไม่ติด และไม่มีอะไรเป็นบาลางบอกเหตุให้รู้ล่วงหน้าแม้แต่นิดหนึ่งเสียงเจ้าด้วนร้องดังก้องครึ่งครั้งหนึง่งแล้วมันก็ไม่อาจยืนอยู่ตรงที่เดิมต่อไปได้ออกแล่นเตลิดไปตามทางนั้นมุ่งหน้าออกนอกเส้นทางระหว่างซอกเขาทันทีมันเองก็คงจะบ่ายหน้านีพายุบ้าดีเดือดเข้าหาที่หลบกําบังเช่นกันเสียงโวกเวกโวกเวก ย, ยังตโนกตกใจของอนุชากับนานอินดังมาจากวิทยุฟังไม่ได้สับเนือสีสางคนทั้งสองซึ่งบันนี้อยู่ในระหว่างชะ ง, ง่อนหินใหญ่ สองด้านใกล้ๆซากช้างฝูงแล้งประมาณยี่สาสิตัวกําลังถูกลมพัดกระเจากระจายเหมือนมีอะไรมากกว่าบางตัวถูกดูดดึงสูงริ่วหายขึ้นไปยังอากาศเบื้องบนตามม้วนงวงของพายุลักษณะประหลาดหายวับไปกับตาไม่ต้องเป็นห่วงผมกับลุงอินนั่นเป็นเสียงตะโกน ล, ลงมาจากวิทยุระล่ำละลักระวังตัวเองด้านล่างไว้หินที่เหลืออยู่อาจล่วงถล่มลงไปอีกเข้าหาที่กําบังหลบไว้ก่อนผมกับลุงอินจะหลบอยู่บนนี้ ขืนโผล่ลงไปนอกที่กำลังถูกลมดูดปลิวแน่เกลียวพายุบูบจากส่วนสูงด้านบนลงมาหาด้านล่างเป็นจุดๆแล้วก็ม้วนหมุนเหมือนดึงดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่มันจะหอบควา้าได้ลอยสูงขึ้นไปสุดเตาว่ามันจะจับลงไปยังส่วนไหนบริเวณใดสำเนียงเสียงคำรนของมันขณะ น, นี้ไม่มีอะไรจะน่าสะพึงกลัวเท่าไม่ได้พัดผ่านระหว่างช่องทางเดินแต่วูบวาบลงมาจากด้านบน ของช่องผาประชิดทั้งสองด้านและไกลออกไปยังลาวป่าด้านนอกในรัศมีหนึ่งไมล์รอบด้านเท่าที่จะมีต้นไม้อยู่บ้างเสียงไม้ใหญ่หักโค่นถอนรากป่าแตกอยู่ครืนครันแล้วก็บแผ่นดินไหวถ้าเขาม้าสองสำเพอที่โวกหัวบรรดาพวกลูกหาบจะเป็นของใครบ้างไม่ทราบได้บัด น, นี้เห็นชัดๆกับตาว่ามันหมุนตลบควงติวๆลอยสูงเร็บขึ้นไปยังรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อตรากับถูกปล่องเครื่องบินไอพ่นดูเช่นนั้น นายนายพยายามต้อนไอ้พวกนั้นหาวงหรือหาซอกเขาหลบปูกยึดตัวเองไว้กับก้อนหินหนักๆ ก, กันทุกคนเจ้าเขาที่นี่แรงมากเดี๋ยวนานอินจัดการเองเสียงของครูพรานพู้เอ้าใช้ ว, วิทยุของลูกชาร้องสั่งลงมากระหืดก็หอบ